นั่งตั้งใจฟองซะก่อนนะวันนี้ก็ก่อนอื่นอาดมาภาพพระมหาอภัยพังกโรแล้วก็ท่านพอาจารย์ชัยยั น, อ, ายา อ, น, นอินทรียาโนออินทรียานออยู่ด้วยกันตั้งนานจําชัยากันไม่ได้เลยนะฮะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะฮะซึ่งได้มาทําหน้าที่เป็นปุจชาวิชัชนายังไม่ได้สมมุติองค์ใดเป็นอพระ อ่สักกวาธิวญาจารเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะองไหนจะตอบองไหนจะถามฉะนั้นก็เลยเอาอย่างนี้นะถึงโอกาสที่ท่านถามท่านตัวจะถามอาตมาก็จะตอบถึงโอกาสที่อาตมาตอบอาตมาถามอาตมาก็จะถามท่านก็จะตอบนะถ้าอันไหนที่อาตมาตอบไม่ได้ก็จะโยนลงธรรมะให้โยมเจยกันตอบในส่วนที่เป็นปัญหาสังคมนะ เพระว่าถ้าพูดไปเรื่องโลกมากผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะพระอาจารย์แล้วก็เอาเรื่องทางธรรมแล้วก็เอาทางโลกมาเป็นบุคลาลัยฐานธรรมทํารร้ฐานธรรมให้เกิดเข้าหเข้าใจชัดเจนมากที่ขึ้นไปด้วยนะครับ <c oughs> อซึ่งเรื่องที่จะได้สนทนาธรรมกันต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีเมตสูตรนะก่อนที่จะเข้าเรื่อง ขัานสำคัญนี้ก็จะได้ให้พระอาจารย์ท่านได้เกินแนะนำตัวซะก่อนค่อยสู่เข้าเรื่องราวพระอาจารย์ข็กล่าวดิมนครับ นะโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมตัญจรสัพพโลกสมิงมานะสัมภารเยอะปริมาณตีติวันนี้ก็ อาตมาชื่อพระชยันทินนายาโนเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์พร ภ, ภัยท่านมหาพระภัยได้แนะนําไปแล้วนะครับวันนี้เรานักเป็นโอกาสที่โชคดีได้ได้มาเยี่ยมได้มาอยู่ที่เมืองวัสเวกัสซึ่งอาจารย์ก็ตั้งแต่บวชมาก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสขึ้นมานั่งสอนธรรมะอย่างนี้ <laughs> นว่าตื่นเต้นและก็น่าดีใจนะครับได้เจอกับบรรยากาศใหม่ๆ อ, อาจารย์ก็ บทจากวัดอัมพวันสิงห์บุรีเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเจรันอ๋อสิงห์บุรี นะรเราต้องตบวดมาทางนั้นเราก็ปฏิบัติทำแล้วก็เน้นมาทางเรื่องเรื่องการปฏิบัติซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องบาลีอาจารย์ก็ไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นภาษาบาลีเดี๋ยวอาจารย์จะยนอนกลับไปถามท่านท่านมหาประภัยนะครับก mm ็ hmm. จะช่วยกันในลักษณะอย่างนี้ตอนนี้เราเราจะมาคุยกันในเรื่องเมตตากรณีเมตเมตาสูตรนะครับก็ได้ได้ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าอ ที่มาที่ไปของกรณีเมตตาสตรนี้เป็นยังไงแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้มันมีหลายพระสูตรที่ปกติเขาจะสวด ร, ร่วมๆกันเราเรียกว่าเป็นพระปริตนะฮะทําไมเราถึงเรียกพระปริตแล้วมีที่มาที่ไปยังไงอาจารย์ก็เลยอยากจะขออนุโมห้ท่านมหาพระัยเริ่มเล่าเรื่องตรงนี้ก่อนว่าเห็นท่านท่านจำนะ<อ>ท่านนี้อยากจะรู้ท่านถามก่อนเนยนะัไม่รับให้ตั้งหลักเนยน่ะเขาบอกว่าคนคนถามนี่ง่ายนะคนตอบนี <be> ่ยากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะบางครั้งนี่ บางคนคนที่ถามไม่มีคําตอบอยู่ในใจแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งถ้าตอบตรงที่ประเด็นตัวเองก็อาจจะพยักหน้านะถ้าตอบไม่ตรงประเด็นก็อาจจะสายหน้านิดนึงยังไงก็จะถอนฟันมาถวายกันแล้วก็ในพระเจ้านะก็เดี๋ยวนั้งหลายอุตมาดังเช่นหลวงพ่อท่างกล่าวว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยขึ้นบ้านใหม่ไม่มีใครที่ไม่ทําบุญบ้านทําบุญวันเกิดทําบุญอะไรต่างๆ ฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี่สิ่งที่สําคัญที่เราควรจะพลาดไม่ได้ก็คือพระปะริศใช่ไหยหลายคนเอนิมนต์ทาบุญบ้านนิมนต์พระมาหน่อยนะหรือว่านิมนต์งานบวชงานตายงานอะไรก็แล้วแต่นิมนต์พระมาเพื่ออะไรให้พระมาสวดพระปะริตให้นะรู้จักพระปะริศหรือเปล่าโยมปุณนธะังฟังจนขี้เกียจฟังแล้วแต่ยังไม่รู้เนี่ยคำว่าพระปะริต <c oughs> พอไปน ะ, <c oughs> ระปะริตตะตอนนี้แปลว่า คุ้มครองนะพนยัญชนะปกป้องรักษาฉะนั้นอาขอข้เกินนิดนึงว่าแต่ก่อนในพระ ป, ประิตเริ่มต้นเลยเนี่ยนะไม่มีย้อนไปดูในครั้งพุทธกาลแล้วเนี่ยรู้สึกแต่เห็นเห็นอยู่สองกรณีด้วยกันกรณีแรกคือเกิดภัยพิบัตินะพนยัญชนะเกิดภัยพิบัติอ่าเขาเรียกว่าเกิดวั น, นโลกทั่วทั้งเมืองวั น, นโลกตัวนี้ประเทศอินเดียร้ายแรงมากนะเพราะว่าถ้า ถ้าวันโลกเกิดขึ้นบ้านไหนแล้วเนี่ยลงทางบันไดไม่ได้ตายนะมั น, นจะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่แมลงวันตายวัณโรกนะั้นแมลงวันเป็นตัวนําอยู่แล้วไหมจากมาสัตว์เล็กนกหนูไก่หมูช้างมาแล้วก็คนใช้นะคนใช้ตายคนาตามถนนทางไม่ต้องถามนะแล้วแล้จากนั้นก็ไปสู่เจ้าบ้านเจ้าบ้านจะหลบแล้วก็เจ้าบ้านจะไม่ตายทำยังไง ก็จะต้องให้ลูกชายเนี่ยต้องทังบ้านออกลงทางบับนไดบ้านไม่ได้เพราะมันเชื้อโรคมันตามบันไดใช่ไหมมือจับมืออะไรต่างเขาเนี้ยจะมาให้ผลนี่นะทําไมาถึงเวลาเกิดวรณโรคในบ้านแล้วเนี่ยในเมืองนั้นแล้วเนี่ยทําไมต้องให้ลูกทุบฝาบ้านหนีหนีไปอยู่เมืองอื่นในประยันประยังเคยได้ยินนะครับทําไมไม่ให้ลงทางบันไดผมก็เลยบอกเอ้คนเวลาเป็นวรณโรควันโรคคือโรคท้องร่วงใช่ไหมอย่างรุนแรงนะใช่ไม้ม ไอ้เหรอโตขอข้อพายข้อาพายจำผิดโรคเนี่ยขาน้อยผิดไปแล้วแต่ยังไม่สมควรตายนะ่นเองนะไอหิว <c> า <oughs> เอ่ อ, อ, ว อ, อพวกโรคไอโรคปอดอ่างา <c oughs> น, นแหละ <c oughs> ก็อาจจะอยู่ใกล้กันไอนี่มันกระเด็นใส่กันแล้วติดกันเลยนะวันโรก <c oughs> นะอฮิวาเนี่คือโรคท้องร่วงนะ <c oughs> วันโรกคนละอย่างกันอืม <c oughs> ฉะนั้นเวลามันติดแล้วอาจจะติด เสื้อติดผ้าติดไม้ติดมือเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นตามอาจจะมือไปจับแล้วก็บางทีก็เชื้อโรค ก, ก็จะฟุ้งลูกต้องทาง่าทุบฝาบ้านเนี้ยหนีไปออกทางฝาบ้านห้าโรงทางประตูก็จะรอดเนี่ยอันนี้คือครั้งก่อนทีนี้คนตายเยอะทําไงทีนี้อันนี้อันนี้ประเด็นแรกนะพยานผมขอรายาวทรงนั้นครับทีนี้หลังจากที่ตายแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เลยเอาอย่างนี้เั้น ก็เลยให้พระอาภาษาลีบุตรใช่ไหมพระยานพระอนนท์เนาะเห็นไหมได้ประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าเสสองธรรมะนะถ้าธรรมาโยอมพายมผิดแน่นอนเลยพระอนนท์พุริจ้าก็ให้พระอานนท์ไปอ่าไปเรียกว่าไปพมน้ําพุทุมน์นะพยานแต่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้กล่าวถึงพระปรลิษต์ได้เนี่ยยังยังงอาจจะเป็นมนบทอื่นที่อ่าไปประพรมน้ําพุทุมน์แล้วฝนตกมาอายุเข้ามันอาจจะแห้งแล้งแล้วเกิดวันโลก นะพาอายุเข้าก็พัดพาเอาเชื้อโรคทั้งหลายก็รบรรยากาศก็ดีขึ้นนะโรคอะไรต่างก็ค่อยๆ ค, คลายหายไปแต่ว่าพระบรุรจริงๆแล้วเนี่ยที่จําได้แล้วก็แปลจริงก็คือเรื่องอายุวัฒน ก, กุมารที่คายุวัฒน ก, กุมารนะ อ, อายุวัฒ น, นะอายุวัฒน ก, กุมารอายคือเด็กน้อยที่อายุยืนนะขอข อ, ขอีกสักสองนาทีพ <ขอ S 1> ยาน น, นครับรเรื่องนี้นหน่อยประโยชน์ทั้งหลายทําไมเราต้อง เอาบทนั้นมาเป็นประเด็นในการสวดพ่อปาริศเพราะครั้งพุการนี่มีเศษมีฤาษีอสองตนนะซึ่งเป็นขหา บ, บดีเศษฐีทั้งสองคนเนี่ยชวนกันหนีออกบวชนะออกบวชไปแล้วก็องคหนึ่งก็ไปอยู่ภูเขาลูกหนึ่งอีกองคหนึ่งก็ อ, อยู่ไปอยู่มาอยู่ไม่ได้ตะ บ, บาแตกนะก็เลยสึกออกมามีครอบครัวพอมีครอบครัวแล้วนี่ก็ได้ลูก อันนี้พูดลบล่าสดุดนะได้ลูกชายคนหนึ่งทีนี้อยู่ไปได้ยินข่าววา่า่เพื่อนตัวเองที่เป็นฤือีนะมาเมืองนี้นะมาก็เลยอยากจะไปเยี่ยมอยากไปกราบคารวะก็นะ เ, เลยอุ้มลูกเนะี่ยไปคารวะเพื่อนตัวเองที่เป็นฤือีดาบดันพอไปแล้วออตนเองอุ้มลูกใช่ไหมก็ให้ภรรยาทําคารวะคารวะคนอินเดียหนึ่งคือการทําอประทักษิณ เวียนเทียนเดินรอบก็มีพนมมือเดินรอบเดิเอามาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเวลาวันสำคัญของเรานะ่ะคื อ, อทำศักกระเดินรอบแล้วก็ก้มลงกราบนะทีนี้หลังจากให้ภรรยาทำแล้วภรรยาก็ปุ้มลูกจากตัวเองตัวเองก็ทำบ้างนะพอทำเสร็จแล้วก็ให้ลูกเป็นคนคารวะขณะที่ภรรยาก็ดีตัวเองทาก็ดีนี่เสร็จดาบดทน่นจะบอกว่า อายุวัตทีขายุโกทีขายุกาทีขายุโกเธอทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีอายุยืนเถิดนะก็ให้พอ่อนว่าจะอายุยืนทีนี้พอให้ลูกทําแล้วปรากฏว่าลูกดาบทไม่บอกเฉยก็เลยสงสัยว่าเอเราทําคารวะทั้งผัวเมียทำไมท่านถึงกล่าวว่านะทีขายุโกอยู่ทีคายุกาให้เราอายุยืนแต่ว่าเวลาลูกเราทําคารวะเด็กเล็กๆนะทําไมท่านไม่พูด เขาเลยบอกว่าลูกของท่านจะต้องตายนะอายุไม่ยืนอีกในเร็ววันนี้นะจะต้องตายแบบนั้นนะแต่ก่อนเขาเก่งนะนะแต่ก่อนเขาดูลักษณะรูนะ้ที่นี้จะทําทยังไงจะลูกไม่ตายทีนี้ยังไความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องได้ยินข่าวว่าลูกจะตายในอนาคตหน้าต้องดิ้นรนทุกอย่างเห็นไหมหาทางที่จะไม่ให้ลูกตายทํายังไงก็ถามว่ามีทางแก้ไหม ถามฤสีดาบทมีทางแก้หรือเปล่าฤสีก็บอกว่านะขณะนี้ไม่มีใครจะแก้ได้มีทางเดียวคือสมโครดมนะที่จะพอจะแก้ไขให้เธอได้น ะ, <c oughs> ะยืมนิดนึงก <c oughs> ่อนตามาตายตาพูดไปอ่องรูปเป็นไงวะรุ่นเ <c oughs> <c oughs> ขอเอาไฟนะ <c oughs> เออเ อ, อพูดตดพูดตดทีนี้ไปถึงไหนเราโยมเล็กฟังหรือเปล่านะแนะนําให้ไปหาพระพุทธเจ้าเออเนี่ยถ้าตาลายแล้วเปอย่างเงี้ยมันกลับกันหลังจากที่ถามเพื่อนตัวเองบอกว่ามีคนเดียวทีแก้ได้คือพระสมณโคดมเขาเรียกสมณโคดมนะเขายังไม่เรียกพุทธเจ้าพวกฤาษีต่างเขาจะ จะทำยังไงทีนี้ก็เลยให้ก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าเราเนี่ยเราในฐานะพราม์เนี่ยถ้าไปหาพระหา ส, ม, ม, โโ ม, สมนัโคดมสมณฑ์ขอเราก็เสื่อมสิปุณิมน์เยอะนะพวกมณฑ์พิธีกรรมเยอะประม์เยอะพวกพรามเนี่ยนะอะไรที่พรามเนี่ยมีสองลักษณะมีแต่สวดกับเสกนะไม่ค่อยสอนเท่าไหร่ถ้าบทไหนที่คนมาสวดด้วยเนี่ยไม่ได้นะโดยเฉพาะคนวันหน้าต่าๆเนี่ยฆ่าทิ้งเลย อย่างเช่นยมเล็กจะามาสวดอิติปิโส ด, ด้วยไม่ได้ะข้าทิออ้งขาเอาขโมยมนเข้าไปอ่าสวดมีสิทธิ์สวดกับเสกได้เฉพาะเขาเท่านั้นทีนี้บอกว่าถ้าเราไปกราบสมณโครดมนี่มนเราก็เสื่อมใช่ไหมทำยังไงทีนี้ถามดาวโบก็เลยบอกว่าเธอระหว่างลูกกับมนเสื่อมเธอจะเลือกเอาอะไรก็แล้วแต่เธอนะอย่างนั้นทีนี้ความ ชื่อว่าความรักของพ่อแม่นะคกับลูกนก็ต้องยอมเสียสละได้ทุกอย่างใช่ไหม mm. ก็เลยเสียสล ะ, ะเสื่อมโ็ช่ามันไปหาพุทธเจ้าดีกว่า mm. ก็เลยพากันไปหลังจากแต่ mm. ถึงพุทธเจ้าแล้วก็ทําเหมือนกันนี่แหละนะคนผู้เป็นปริญาทําก่อนก็พุทธเจ้าก็บอกทีขายุกาเวลาสามีทําก็ทีขายุโกวเวลากุมารลูกชายทำพุทธเจ้าไม่หนิงก็ก็เลยถามก็พุทธเจ้าให้คำตอบเดียวกันว่าลูกเธอนั้นมีอาจจะต้องเป็นไปมั่นใจแล้วเพราะว่า มีผู้ที่ตัวเองเคารพนับถือพูดถึงสองคนทักสองคนใช่ไหมก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่เหตุอะไรที่เป็นตักกาแลนะ้วมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนก็เลยแทนยังไงจะแก้ไขได้อันนี้คือเริ่มต้นของปฐมเหตุของการสวดพระประิตรในพระอเจารย์จากนั้นพุทธเจ้าก็ให้ทำเขาเรียกว่าทำเขาเลยบอกว่ า, วาให้ทํามนดบขึ้นทํามนดบคือทํามนทนอาจจะบ้านเราอาจจะกลางเต็นท์ทำพิธีอยู่ที่ เอาหน้าบ้านตนเองเลยเจ <c oughs> ้ไม่รูอาจารย์ตรงนี้ครับอืมให้ทํามนทนแล้วก็ให้มีที่นั่งพระสงฆ์โดยรอบนะแล้วก็ลูกชายตัวเองนะั่งวางตรงกลางเจ <c oughs> ้ไหมทำไมต้องทําอย่างนี้ด้วยนะอาจจะเอาถือคตินั้นมาทําเป็นเสดาะข้อต่อชะตาเมื่ถึวันนี้ระอาจารย์ถ้าอาจารย์เจ๊น่าจะใช่่ใเอาตามเตียงขึ้นมาตรงกลางแล้วเอาลูกนอนไว้ตรงกลางแล้วก็เอานิมนพระสงฆ์ มานั่งร้อมสวดทีนี้ก็เลยถามพระเจ้าว่าข้าพเจ้าเจอนิมนต์พระสงฆ์มาจากไหนพระเจ้าบอกว่าให้เธอไปทําพิธีเสร็จเดี๋ยวเรื่องนิมนต์พระสงฆ์เราจะจัดการเองว่าอย่างนั้นอพอทำพิธีเสร็จแล้วก็มาบอกพระเจ้าพระเจ้าก็นิมนมต์ให้พระไปสวดให้นะนิมนต์พระไปสวดให้สวดอยู่เจ็ดวันนะโยมไม่ใช่สวดสวดธรรมดานะอยู่ทั้งเจ็ดวัน ระหว่างวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยให้ทําถึงเวลาก็สวดกันนะลูกนอนตรงกลางสวดอยู่งั้นนะพอวันที่เจ็ดเป็นวันที่เขาจะต้องมเมาชีวิตแนละ้วใครจะมเมาชีวิตทีเนี้ฮะโรงพยาบานจะขึ้นมาหรอไม่ชีเสียเวลาโงยาบาล <c oughs> บ้านเราเรียกว่าอะไร <c oughs> เรียกว่าอในอากาศเราเนี่ยมันมีเรียกว่ามีพยายักษ์มียักษ์อยู่สี่ตนที่จะ มาดึงกระชากชีวิตวิญญาณของเราออกจากล่างไปคือใครบ้างตั้งแต่าจันช่วยแนละ้วผมอาจจะไม่ครบเท้าวิรุณหะเท้าวิรูปักเท้าวเวสวุวรรณแล้วก็หวแล้วไม่ครบจริงๆด้วยคนที่สี่ผมไม่รู้เหมือนกันนั่นนี่เท้ารุตระรสใช่หมพ่รารุตระรสี่ยักษ์สี่ตนเนะ่ เนะี่ยที่เป็นคนคุ้มครองเป็นคนดูแลว่าใครทําดีไม่ดีดูคนอยู่ทุกวนะันเนี่ยว่าใครมาฟังธรรมบ้างในรัฐเวกัสเนี่ยถ้าท่านจําไม่ได้ต้องให้เขียนลงชื่อลงในในตรงนี้นะถ้าอาจจะมาดูบัญชีนี้ก็ได้เนะี่ยท่านรู้หรือว่าใครทําชั่วในขณะนี้อะไรต่างๆนวะัเนี้ยท่านดูท่านจําไว้พวกนี้จะบันทึกความดีความชั่วของคนไว้เนะีแล้วก็เป็นผู้ที่มาเอาวิญญาณฉะนั้นถึงวันที่เกียรตแล้วพระเจ้าเสด็จไปเองเลยนะเสด็จไปก็เป็น นั่งเป็นประธานในภาคกสวดภาคกสวดกันไปได้เวลายักษ์มาปรากฏว่าพระเจ้ามาไม่มาคนเดียวนะเทพสักเท้าสักกะเทพทั้งหลายก็มาด้วยนะบินวนอยู่ข้างบนนี่นะอาจจะมองไม่เห็นเออเขากล่าวว่าอย่างนั้นนะมาเต็มไปหมดเลยยักษ์ในฐานะตัวเองเป็นสักน้อยไม่กล้าเข้ามานะนะถ้านายพลมาเอ่อคกนตำรวจไม่กล้าเข้าใกล้ต้องอยู่ไกล ตอเามาแล้วก็ยากม็มีโอกาสไม่มีโอกาสเข้ามาเอาชีวิตของเด็กคนนี้พอสวดไปแล้วนี่ย่าก็นอยู่ถือกระบองวนอยู่จะเอาเอาวิ ญ, ญญาณเข้าไปสุดท้ายเอาไม่ได้เวลาเลยเลยเวลาตายนะพระเจ้ า, าก็ทาพิธีเสร็จก็อนุโมทนาคาถาแสดงทําตรงนั้นด้วยแล้วก็เวลาเลยไปแล้วนี่พิธีจบลงปรากฏว่า เอาเด็กคนนี้ไปคารวะพระพุทธเจ้าพระพุท ธ, ทธเจ้าก็บอกว่าทีคายุโกโะโตะเธอจงเป็นผู้มีอายุยืนจงเป็นเธอจงเป็นผู้มีอายุยืนปรากฏว่าเด็กคนนั้นอายุร้อยยี่สิบปีนะแต่หลังจากจะตายเกจวันเนียนะอายุผ่านไปร้อยี่สิบปีฉะนั้นการสวดพระบุตรเนี่เริ่มจากจุดนั้นไปต้นมาแล้วก็ขอเกิดไปอีกสักนาทีพื่อนประเด็นสําคัญก็คือว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีการสวดพระบุตรอีกนะ ก็จบไปประปริทตรวเนี้ยต่อมาแล้วนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนมาสืบสาเรื่องจริงจแล้วนี่มีตำรานหนึ่งก็บอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศศรีลังกาเมื่อหลังจากพุทธกาลล่วงไปแล้วห้าร้อยปีนะเพราะอะไรเพราะระหว่างรัฐที่นี่เขาแข่งขันกันมากนะศาสนามันเยอะใช่ไหมศาสนาเยอะแล้วก็พิธีกรรมก็เยอะทีนี้พิธีกรรมพามัานนี่ผู้วิเศษเยอะนะ ทำอย่างนั้นนี่น่าจะขังหน้าจะอะไรเงี้คนก็เริ่มแล้วเริ่มไปเริ่มอา้าวไม่ว่าที่ไหนแหละนะตรงไหนมันหน้าขัางหน้าศักดิ์ ส, สิทธิ์หน้าบุคคลที่เราเคารพต่ า, างหมดเนี้ยคนก็จะเฮ้ก็จะอะไรทีนี้ในฐานะพุทศาสนาของเราเนะี่ยมีแต่คําสอนมีแต่คําสอนให้ปฏิบัติแนะนําปฏิบัติอย่างไงพิธีกรรมมันไม่เยอะเวลาคนจะทําบุญบ้านทําอะไรต่างก็อันนี้มันเอาไปรับ บาดมาแล้วก็ฉันเสร็จภาคก็ให้พฟ้องกลับไปเฉยเฮ้เราต้องมีวิธีกรรมอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นก็มีก็หาบอดีก็คิดได้อ่ศาศาสนาอื่นและที่อื่นเขามีการเสกการสวดเราต้องน่าจะมีบ้างก็เลยนึกถึงเนี่ยเรื่องของทีวากุมารเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยมารวบรวมเอาบทความเอาไอ้พระลิตเอาบทตำนานตำนานต่างๆเรื่องต่างๆที่พระเจ้าท่านเทพท่า น, นสอนไว้เนี่ยเอามารวบรวมแล้วก็ ให้พระสวดนี่มนุษย์พระมาสวดทําพิธีไม่ขึ้นบ้านใหม่ทําบุญอให้วันเกิดวันอะไรก็แล้วแต่ในบ้านตัวเองจะนิมนต์พระมาก็มาสวดแต่ก่อนเขาอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะอาจจะไม่ครบอาจจะสองบทสามบทสี่บทค่อยๆหาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเดีย๋นะดยวนี้บ้านเรานสวดไม่ไหวนะให้พระสวดหมดแล้วตายคาธรรมะเลยนะมันเยอะจริงๆนะเรียบเรียงขึ้นทั้งแต่งขึ้นเองทั้งเอาตรงนั้นตรงนี้มาเนี่ยทีนี้ หลังจากที่อเขามีบทที่หลังจากพระราชาเมืเาอไหร่พระเจ้าพระพระราชาของศรีลังกาครับก็เออเห็นว่าดีก็เลยให้พาเนี่ยมาสังคยาดากลุ่บรวมขึ้นมาอีกนะคเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็หาบทสวดสําหรับพระราชาโดยตรงรเวลาพระราชาจะอภิเษกจะทําบุญอะไรต่างพวกนี้ยรีคำว่าระคำว่าราชาพิเศษครับราชาปริตนะบทคุ้มของพระราชานะ ก็เริ่มจากจุดนั้นมานนี้อัาเกินเข้าวๆฉะนั้นบ้านเราถึงมีการรวบรวมกาัารบทต่างๆขึ้นมานี่เยอะเหลือเกินบางที่ไปบางที่บอกพระด้วยนะอัตมาไปสวดอยู่เนี่ยอยู่ในเวการ์ในไหนที่หนึ่งเขาสมาคมเขาอ่าสมาคมยิ่งใหญ่อยู่อันนี้มลแล้วก็บอกด้วยนะพระสวดบทนี้บทนี้บทนี้นะพระอาจารย์เมคด้วยแหละพระสวดบทไหนบทไหน่นะมีน้ำตาบอกอย่างงั้นก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยมาบอกอ่า อิติพิโสร้อยแปดนะตายแล้วอิติพิโสร้อยแปดนครึ่งวันก็ไม่จบนะร้อยปดรอบเลยนะก็อ่าที่สาระสิ่งที่เราต้องทิ้งไม่ได้คือมีหลังจากสอนรรจบบทประล่าแล้วเขาเทศไปด้วยบทเพื่อเทศไปด้วยสอนไปด้วยทั้งสวนทั้งเสกทั้งสอน ส, ส, สามอย่างนั่นไม่ใช่อันนี้คือตำนานพระตรมนั้นบ้านเราทุกคนที่เคยร่วมพิธกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆมาเนี่ยขึ้นบ้านใหม่จะขึ้นบ้านใหม่แต่ละครั้งเนี่ยแม้แต่เราจะซื้อรถใหม่ ถ้าถ้ารู้สึกว่ายังไม่มีรอยนิ้วมือนิ้วเท้าพระอะไรที่เป็นสิ่งมงคลรู้สึกไม่กล้าเข้าไปนั่งในรถมันขับไปคน เ, เดียวในปา่ามันจะมีอะไรนั่งข้างหลังเราหรือเปล่านะัใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าเอาไปถวายพาย่าท่านจุดจุดจำจ ำ, จำตรงนั้นตรงนี้บ้างแล้วเนี่ยมันรู้สึกอุ่นใจนะอาตมาก็ไปเจอมบ่อยเหมือนกันแย่ขออภัยนะา อ, านะอาคารสองร้อยสาร้อยล้านที่มหาลัยคอนแก่นนั้นนะเขาไปเจอมสองสาอาคารแนละ้ว แต่ไม่รู้เรื่องหรอกขอสรารภาพตรงนี้เลยนะเไปหัดเขียนดิหัดเขียนตัวขอนตัวสองสามตัวพอนะห<ต> ย, ยักหนะยักม<ๆ>ันนะก็อยากไปตามเขาได้ไหน่อยนะแล้วก็ทําเป็นส่วนอ่าอิติปิโสบ้างสวนอะไรบ้างเปา่าเป่าเสกไปนะก็ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาพังกระป๋านนี้ไม่ใช่แล้วก็อันนี้คือไม่ใจไม่อะไระเสื่มที่ผมกล่าวมาขัดตรงพ่องวามไว้แลอย่างตรงนี้แล้วก็ ฟังได้ข้อหมดน ะ, ะก็เป็นที่มาของพระปริศซึ่งในปัจจุบันนี้ที่เราเอามาใช้กันอยู่นี่ถ้าเป็นทางคนลาเขาจะเรียกเป็นปริตตมงคลก็นิยมสวดตามบ้าน ส, สวดงานมงคลบางทีก็หลังจากงานศพแล้วก็จะต้องมีปริตตมงคลหลังจากส่งส ก, การเสร็จครับก็จะมีสวดกันหลายบทที่นิยมสวดกันอืม ของของคนไทยนี่ก็จะมีทั้งสิบสองตำนานกับเจ็ดตำนานแต่เราจะใช้เจ็ดตำนานเยอะมากกว่าไม่ทราบไปในบรรดาเจ็ดตำนานนี่เราเขาใช้บทไหนบทไหนกันบ้างเจ็ดตำนานเขาว่าต้องมาเข้าใจเขาว่าตำนานหมายถึงอะไรบ้างพระอาจารย์เขากล่าวไว้ตำนานก็คงจะเป็นที่มาของตำรับแต่ละตำรับเหมือนกับตำรับยาแต่จริงๆในที่นี้ก็คือเอาพสูตรมาทั้งหมดเจ็ดบทนะฮะพระสูตรสาคัญๆที่เราใช้มากมากๆหน่อยก็มีเรื่อง อ่ามงคลสูตรนะแล้วก็รัตนสูตรแล้วก็กรณีเมตสูตรสามพระสูตรนี่ก็เป็นบทสําคัญนอกนั้นก็จะเป็นพวกโมรัปาริทอันนี้ก็เป็นชื่อพระปริตไปัยโมรัปาริทแล้วก็ขันทปริตแล้วก็ อ, กอะไรเนี่ยอะไรที่เป็นสูตรไหมพ่อจันเป็นพระสูตรตํานานไปถึงเรื่องเราแต่ละ บทที่พระเจ้าแต่ราคาถา่ายพระเจ้ากล่าวไว้ใช่แล้วก็มีเรื่องเล่าเขาเราียกว่าตำนานบทนั้น<ช>บทนี้แล้วก็เอามารวมกันแต่ถ้าถ้ามันก็มีอย่างอย่าง อ, องค์เขารีมาองค์เขาเรมารับปรลิทธนะฮะองค์เขาเรียามรัสูตรอะไรอย่างเงี้ยมันมันชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะอาจจะเป็นสั้นๆนะแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันแต่ที่เป็นพระสูตรหลักใหญ่ๆที่คนศรีรังกาเนียมสูตรก็จะใช้สามสูตรแรกที่อย่างที่ผมได้บอกมาก็มีมงคลสูตรกับรัตนรสูตรกับ อ่าตอนนี้ไม่ตาสูตรถ้าพระขึ้นมาปั๊บชาวบ้านทุกคนท่องได้เหมือนกันหมดแต่ก่อนนะพีา่จันเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ที่ไหนพี่จันคนศรีลังกา<อ>ในอเมริกานี่ก็เหมือนกันถ้าถ้าชาวศรีลังกาข้านหมดพระไปปั๊บพระขึ้นปั๊บพระจะสวดตามได้หมดทุกอันครับอันนี้อันนี้ผมยืนยันาานะพี่จันเพราะผมไปร่วมกับศรีลังกาบ่อยนะแต่ผมไปฉันไม่ค่อยได้ออาหารเขา <laughs> ไปฉันอาหารศรีลังกามาแล้วเนอะกกลับมาต้องดีท็อกนะพีจันแลมันร้อนมันร้อนท้องร้อนหมดเลย แต่ว่าคืออย่างหนึ่งก็ศีลลังกาเนี่ยนะอ่าเข้ามาแล้วนี่พระขึ้นบทไหนเขาจะสวดได้ทุกทุกบทนะนั่มายถึนึกถึงประเทศอินเดียแต่ก่อนเขาอ่าพระขึ้นบทไหนเขาสวดคือเป็นคําสอนคําเป็นบาลีเป็นคาภาษาเขา่ะเขาจะสวดได้ด้วยแต่เราไม่รู้เรื่องอิติปิโสก็ยังไม่ได้ใช่ไหมแม้แต่พมมายทรโรการก็ต้องถามว่าหน้าไหนก่อนถามพระพระก็ยังไม่นิ่งใจเพราะไม่ค่อยเป็นคนปรัชนา <laughs> อันนี้คือฉะนั้นคําว่า ทุกวันนี้ผมไม่แต่ก่อนผมไม่เข้าใจทำไมจิตเจ็ดตำนานหรืสองตำนานผมก็ฟังฟั ง, งมายังไม่ได้ศึกษาถ้าให้สวดผมก็สวดไม่รู้ว่าจิตสองหรือยี่สิบตำนานนะบาทีก็เอาเกินสิบสองบท ก, มมก็มีเยอะกว่าครับบางตำนานก็สั้นๆนะอาจารย์ดีหน่อยอย่างเช่นอ๋อโคลิมาลสูตรใช่ไหมครับอย่โตหั่นปะคินีเนี้ยอ๋อสันะ้นด <laughs> ีมีมีคราวหนึ่งนะอาจารย์มันเป็นเรื่องบั <laughs> บงเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ท่านอาจารย์ที่วัดผมเหตท่านอาจารย์มหาสมัยที่วัดน้องแหวง จะดีอยู่กุฏิเดียวกันท่านเลี้ยงสุ น, นัขมันหลงมาท่านก็เลี้ยงไว้เนีทีนี้มันคลอดอะ่ะมันพยายามมีคลอดออกหมดแนละ้วสองตัวแล้วตัวสุดท้ายลูกมันติดอยู่ที่ตูดมันมันโว้ยมันร้องกวนกวายอยู่ท่านสงสารท่านก็เลยเยืนอยู่บันไดแล้มาก็ด้ยินอ๋อท่านองค์นี้ทําอะไรส่วนยัตโตหังพอจบหลุดแคร็กมาเลยพระอนกัน <laughs> <laughs> หรือว่ามันกลัวเสียงพระสวดไม่รู้ไม่แน่ใจนะ นีย่ยหลุนแค่ออกมาตาของลูกตัวนั้นมันตายมันไม่ยอมออกมา <c oughs> ลูกคนตายคาท้องนะ <c oughs> ออกมาพอดีนะก <c oughs> ็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะตอนที่องค์คุลิมาน <c oughs> ปกติองคุลิมานเนี่ยแม้แต่เป็นพระอยู่ก็ตามนะในฐานะที่ฆ่าคนเยอะใช่ไหมพี่จันครับไปไหนนี่นั่งอย่างนี้มากขึ้นทั้งว่ายมแตกนี้ไมนมีใครมาฟังฟังหรอกนะนี่กลัวกลัววิลกรรมทีนี้วันนั้นน่ะท่านไปเดินพิทักษ์บับตเปล่าคนวิ่งหนีหมดนะ มีผู้หญิงคนหนึ่งท้องท้องโยเลยไหมวิ่งไม่ได้แต่อาจจะไปอยู่พยายามพยายามดิ้นลนหาทางไปจนได้นะท้องก็ท้องมันก็ไปให้เต็มก็ร้องโอยอยู่เก็บท้องอะ่ะองปริมาณในะส่วนจะโตห้างบักกีนียคงจะกลัวสุดขีดหรือเปล่าเวนะก็ลูกคลอดออกมาเลยอันนี้ก็ขออาภัยในการกล่าวในเชิงนี้นะคงจะเป็นอความเมตตาของท่านพระอาจารย์ เราเรามาเข้าเรื่องกรณีไม่ตัดส่วนเลยได้ไหมโอเคนเป็นยังไงมีที่มาที่ไปเป็นดังนั้นเกิดมาทั้งหมดว่าครับผมเกิดมาทั้งหมดที่เราทําพิธีกรรมอะไรต่างๆวันนี้จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์จะดีจะงามขึ้นอยู่กับจิตใจของเราด้วยไม่ว่าจะเวลาทําบุญบ้านเวลาต่างๆวันนี้เวลาพระสวดแล้วเนี่ยทุกบทสวดนั้นเป็นคําสอนของพระเจ้านะยังไงเราก็อย่าลืมดูคําแปลอย่างไรเราก็อย่าลืมให้พระท่านชี้แจงบทนั้นบทนี้ถามท่าไม่ต้องเปล่งใจท่านหรอก นะท่านก่อนจะให้พรพระคุณเจ้ า, าสวดไปเมืก่กี้ที่ผมสงสัยอยู่บทหนึ่งบทอะไรลนะ่นะบทรัตนาสูตรบทกรณียาเมตตาสูตรบทไหนก็พูดไปเะ น, นะในบรรดาพระเกตองค้าองค์ท่านต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งที่เคลียรเรื่องนี้ได้เราก็จะได้กเกิดปัญญาอย่าสักต่ว่าเอาความขังนี่เฉยนะเอาปัญญาด้วยตหนจะได้อันนี้ก็ขอฝากไว้นะแต่อย่าถามมาตมาแล้ว คงจะโยนให้องค์อื่นๆเอวยฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเข้าสู่เรื่องของเนื้อหาสาระที่เราจะได้สนทนาทํากานวิปันนี้นะเรื่องกรณีเมกะสูตรซึ่งพระอาจารย์พอจะเล่าเรื่องได้ไหมพระอาจารย์นี่ยังไงเพราะเพราพะจะเล่าได้เอาเฉพาะที่ไปที่มาก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าจาอรายละเอียดกันครับผมอันนี้มันเป็นสูตรเกี่ยวกับอะไรตอนนี้ก็อารมาก็จะขอเล่าเกี่ยวกับว่า ทำไมถึ ง, ถงมา ม, มีที่มาที่ไปของพระสูตรนี้ใช้เพื่อประโยชน์อะไรในสมัยพระพุทธการก็มีพระอรหันต์กลุ่มหนึ่งห้าร้อรูปน่ยได้เดินทางไปเข้าเดินทางไปที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วไปที่อยู่ใกล้หมู่บ้านปรากฏว่าชาวบ้านก็นิมนต์พระคุณเจ้าทั้ง500ห้าร้อยให้อยู่จำพรรษาอยู่ที่นั่นท่านก็แนะนำว่าป่าบริเวณนี้เงียบสงบดีเป็นที่น่ารื่นรม แล้วเขาก็ยินดีที่จะเป็นผู้อุปการะอุปถัมภ์คำชูนาะมหารบิณฑบาตให้แล้วก็จะได้ขอฟังธรรมทุกวันศีลแล้วก็ได้ถึงสารณะพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งฝ่ายบรรดาพระภิกษุเถระก็ลองปรึกษากับพวกอนุเถระทั้งหลายดูทุกคนก็มองเห็นว่ า, าสถานที่นี้เป็นสถานที่เรื่อนลมดีคิดว่าน่าจะอยู่จําพรรษาตามคํานิมนต์ได้ ตลอดทั้งสามเดือนปรากฏว่าก็รับคํานิมนต์เมื่อได้รับนิมนต์ลแล้วบรรดาเทวดาที่เคยอยู่ตามต้นไม้ะฮก็ไม่กล้าขึ้นไปบนต้นไม้บนวิมานที่สูงกว่าพระเพราะกลัวจะเป็นไม่เป็นมงคลกับตนเองแต่จะอยู่ข้างล่างก็มีความรู้สึกอึดอัดก็ปรึกษากันว่าเอดทนไปหน่อยนะเพราะคุณเจ้าคงจะมาอยู่แค่สองวันสามวันตามคํานิมนต์ของญาติโยมแถวแถวนี้แต่ปรากฏว่าสองวันผ่านไปแล้วยังไม่ไปครับ ทำไปทํามาเฮ้ยสามวันสี่วันก็ยังไม่ไปก็เลยชักจะบน่นเฮ้ยสงสัยจะอยู่ยาวแล้วมั้งเนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็อยู่ลําบากเพราะอยู่ข้างล่างจะไปไหนมาไหนก็ลําลบากจะขึ้นบนบ้านขึ้นไปบนวิมานของตอนเองก็เป็นที่ลําบากพวกเทวดาก็เลยปรึกษากันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราแกล้งพระดีกว่าให้พระไปไกลๆอย่าอย่าได้มาอยู่เกะกะเราเพรดังนั้นก็เลยเทวดามีหลายคนก็เลยชวนกันบางคนก็ แบบทํารูปร่างตัวเองให้เป็นผีหัวขาดบ้างทําตัวให้เป็นผีที่หน่าเกลียดน่ากลัวบ้างบางทีก็ทําเสียงหอยหวนมาหลอกพระพระได้ยินพระเอ๊มันมาบ่อยเข้าบ่อยเข้าคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดตะบะแตกให้อยู่ไม่ได้ชักกลัวเหมือนกันนะะขณะเป็นพระก็กลัวผีเหมือนกันบางที่รายไปก่อนนะั้นบางทีก็แกล้งทําให้พระไม่สบายอีกทําให้พระเจ็บคอบ้างทําให้พระไอบ้างปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ก็เลยมานั่งปรึกษากันเลยทีนี้พระยันขอขอแทรกนิดหนึ่งพระยั คำว่าอที่เราโดนหลอกบ่อยๆเนี่ยบางครั้งไม่ใช่ผีใช่ไหมพี่ยันก็มันมีทั้งผีทั้งเทวดานั่นแหละ เทวดาที่มีสมาทิถิก็มีสมไม่มีมิจฉาทิถิก็มีในในกรณีไหนที่เราจะโดนผีหลอกนที่ไม่ใช่เทวดาใ น, ในกรณีที่เป็นเทวดาล้วนๆหลอกเราจะได้รู้มันขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพว่ า, พ า, าจิตแต่ถ้าเราทําชั่ว ม, มากๆคนชั่ว ม, มากๆหรือ <c oughs> บางคนที่เร า, เาทําร้ายคนมากเนี่ยพวกที่เขาเคยเรามามีจิตมีวิญญาณมาเขาก็มาแก้แค้นมาเอาเรื่องเราเหมือนอย่างที่โดนบ่อยๆที่เจอมาหาพระบ่อยๆเนี่ยพวกทําแทงเนี่ยลูปตามมาด้วยอะไรเนี่ยที่ที่เขามาเล่าให้ฟังแต่จริงหรือไม่จริง ก็ไม่เจอบ้างหรือเปล่าครับไม่ค่อยเจอได้ตัวเองหรอกนะแต่ส่วนมากจะเป็นชาวบ้านมาเล่าให้ฟังแต่ในกรณีของเรากลับไปหาในเรื่องนี้เป็นเทวดาเนะทวดาแกล้งปลอมมาเป็นผีนะ ใ, ในตอนนั้นไม่ใช่ผีจริงๆแต่ว่าเป็นเทวดาแกล้งเข้ามาทีนี้ปรากฏว่าพระก็อยู่ไม่ได้ เมว่วันๆเลยแทนที่จะมานั่งกรรมฐานกันมานั่งเล่าแชร์ประสบการณ์ว่าฉันเจอมาอย่างไงคนนูนเจอมายังไรคนนี้หัวขาดคนนี้ลื่นห้อยมาคนนี้หิ้หัวมาด้วยขอ <c oughs> ขอแซกนิดนึงตัวนี้พเจริญ <c oughs> ถ้าพูดหนึ่งผมนึกถึงตอนอบรมรมรทำมาโทษอยู่แคมป์สนครับ <c oughs> ปรากฏว่าพระ90รูปเนี่ยป่วยซะ70็ดสิบรูปะพเจริญครับเวลาเข้าเต็นท์ที่ไรไอกระห่มเลยนะ <c oughs> ทั้งป่วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลแต่ละวันไม่เว้นนะแล้วก็พอช่วงบ่ายมาก็ ตื่นตอนเช้ามาเขาไม่พูดใช่ไหม<ะ>ก็เริ่มไปกระซิบกันแล้ <c oughs> เจอผีหลอกบ <c oughs> างองค์ก็ถูกดึงขาบางองค์ก็ถูกนั่งบางองค์ก็ถูกเขา้าขยา่าเต้นอะไรต่างาเนี้ย <c oughs> ผมก็ฟังฟังเขากระซิบกันแต่ก็ไม่เจอด้วยสักทีหนึ่งถ้าเจอคงจะมีโอกาสมาเล่าให้โยมฟังแต่ว่าที่เจอเจอคือพระไม่สบายผมก็ไม่สบายด้วยอยู่ตรงนั้นสามสิบวันช่วงเ ข, าข้ากรรมาฐานเนี่ยโอ้เป็นผลดีอย่างหนึ่งนะคุณโยมไอ้พระไม่สบายเนี่ยเพราะอะไร เขาบอกว่าที่ไม่สบายเนี่เวลาเราปฏิบัติธรรมมันมีอุปสรรค ม, มีมานมาขวางเนี่เพราะเจ้ากรรมนายเวรเมื่อกันพระอับดุลฐานขูบาอาจารย์นั่นก็บอกว่าอย่างงั้นนะพอท่านพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยค่าอาหารพระออกคนที่ไม่เคยออกก็ออกกันคนละสองพันสามพันมาจันท <c oughs> ร์พราทำบุญอพอปฏิบัติธรรมไปแล้วก็อยากจะล้างจากเพื่อนปฏิบัติพุทธปฏิบัติดีประละช่อดูไหมก็ช่วยกันบริจาคค่าอาหารเนีเจ้าภาพมาแทบแทบจะไม่ได้ออกเลย พาจ่วยออกคนละพันนะผมก็ออกไปด้วยพันหนึ่งโฆษณาใน่อยมการรัพระออกกันเองครับผมอันนี้ก็ไอ้ป่วยดะนั้นตอนนี้เป็นเพราะเทวดาหรือเป็นเพราะป่าหรือเป็นเพราะอากาศหรือเป็นเพราะอะไรอาจารย์ตอนนี้ก็ในในเรื่องนี้มัน mm ก็ไ hmm ม่แน่แะครับเพราะว่าแต่แต่บางทีเวลาเราจะทํากรรมฐานหรือเราจะปฏิบัติทําอะไรขึ้นมาปั๊บสภาวะจิตของเรามันกลัวกลัวที่จะได้บุญกลัวที่จะได้ดีอาจารย์ที่เคยดูแลเด็กทํากรรมฐานก็จะเป็นอย่างเนี้ย ประมาณยี่ิบห้าเปอร์ซ็นตพอบอกให้เดินจงกรมปั๊บเนี่ยเขาจะมีอาการป่วยขึ้นมาทันทีพอถึงเวลาพักปั๊บเขาคุยได้จอเลยไม่ใช่ขี้เกียจนะพระอาจารย์นี่คือสภาวะจิตที่มันหล่อเพราะัวเองนอกว่าจะเจริญในธรรมกิเลสตัวกิเลสมันดึงอ่นะรเรากลับมาถึงเรื่องในเรื่องรปรากฏว่าเมื่อเมื่อพิสุปมูแต่ แชร์ประสบการณ์กันว่ามีประสบการณ์เรื่องผีเจอเทวดาหลอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเทวดาเขาก็เลยบอกว่าสงสัยเราอยู่ไม่ได้เราเพ่นกันดีกว่าก็เลยชวนกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีความเมตตามากถามบอกเธอเพิ่งไปเมื่อไม่นานมานี่เองแล้วเธอทําไมถึงเรียบกลับมาเขาบอกเ ข, า อ, กขาอยู่ไม่ได้พี่เจ้ค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าอาหารบิณฑบาตไม่พอฉันเหรือมีพอพระเจ้าค่ะแล้วเสร็จแล้วทําไมเธอถึงอยู่ไม่ได้ล่ะบอกผีหลอกเขาเจ้าค่ะ พระบิ้าเขาเลยบอกว่าสถานที่ตรงนั้น เ, นเป็นที่ดีแล้วเป็นที่สปายะดีมากเราจะให้อาวุธแก่เธอไปเมื่อเธอเอาไปแล้วเธอก็ทําการสาธยายมนตั้งแต่เดินห้าไปถึงเขตป่านะทุกคนท่องไปหมดเลยพอถึงป่าในป่าจนถึงที่พักแล้วก็ให้ท่องต่อไปปรากฏว่า พราพวกบรณดาภิกษุทั้งหลายเมื่อได้อาวุธของพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีใจโอ้วันนี้เราได้ของดีได้ของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยเรียนท่องใหญ่เลยด้วยมีความกำลังใจแล้วก็เลยแจแจงท่องท่องไปจนถึงปรากฏว่าพอท่องไปเทวดาได้ยินพระเทดวดาเทวดาได้ยินปั๊บก็เกิดมีความสบายใจที่เคยคิดเคยีเคยดแค้นที่เคยที่เคยอยากจะพยาบาทอยากจะแกล้งพระไม่ให้อยู่ก็กลับ แปลงตัวเองมากลายเป็นชาวบ้านเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็เข้ามาอุปถาพระรับบาตรรับอะไรแล้วก็คอยปกป้องรักษาพระกลายเป็นโยมอุปถาให้กับพระจนกระทั่งพระปฏิบัติทำได้ในสถานที่นั้นในเวลาสามเดือนพระทั้งห้าร้อยองค์ก็สำเร็จเป็นพระราหันทั้งหมดอันนี้ก็เป็นที่มาของรอกรณีเมตตาสูร น, นะครับ อนี้เป็นปัญหาก็คือว่าอีกกรณีเมตตาสูตรนี้เป็นพระสูตรเกี่ยวกับอะไรนะครับทําไมถึงเรียกเป็นกรณีเมตตาสูตรแล้วทําไมถึงเปลี่ยนใจเทวดาได้และทําไมถึงเรียกว่าเป็นอาวุธของพระพระเจ้าอันนี้ต้องขอให้พระอาจารย์ประภัยช่วยอธิบายนะว่าคําว่า ก, กรณีเมตตาสูตรหมายถึงพ ร, รเกี่ยวกับอะไรครับผมก็ก่อนจะเข้าเรื่องนิดขออีกหนึ่งนะพญานคืออบางครั้งเราฟังแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ ส่วนมากพระท่านได้แปลเป็นในธรรมบทกันบ้างอะไรต่างๆวันนี้เรื่องเล่าตำนานนี่คือตำนานของกรณีเบตาสูตรทีนี้ <c oughs> พูดถึงเทวดานหนึ่งว่าจันขออันนี้หนึ่งในตำนานเขาบอกว่าเทวดาพวกนี้จะอยู่กับเป็นครอบครัวนะครับจะอยู่เป็นครอบครัวครอบครัวใครครอบครัวบรรทุ น, นของไข่ของหวานต้นไม้อะนะอยู่ครอบครัวเฉะนั้นพอพระไปอยู่แล้วเนี่ยพระก็ไปอาจจะเป็นนั่งพิงต้นไม้นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรม เขาเกรงใจเขาก็ลงมาอยู่ข้างล่างใช่พระอาจารย์ตรงนี้ครับอยู่ไปอยู่มาเทวดาอึดอัดนะแต่ขึ้นไปเขาบอนึกกลัวบาปกลัวกรรมแล้วเขาเขาก็กลัวเหมือนกันนะแต่อยู่ข้างล่างก็ลูกปราก็ว่าลูกคือเขาลําบากคือลูกร้องให้ลูกเทวดาเทวดาไม่รูกในกํานานนะร้องให้กระจอเงอะเงยรบกวนทีนี้ก็เลยพากันแกล้งพระอย่างว่านะทําให้พระอยู่ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็ให้อ่า ให้เขาเรียกว่าจะเป็นอาวุธทางวาจาหรืออเขาเรียกว่าจะเป็นอาวุธก็ไม่เชิงนะวาจาเนาะเขาเรียกว่าอืมให้ตั้งสัจจะอย่างนี้ให้ตั้งวาจาอย่างนี้ให้ตั้งเจตนาอย่างนี้และบอกกล่าวเขาอย่างนี้ บางบางที่เขาใช้คําว่าพระขันของพระพุทธเจ้าเลยใช้พระขันเลยว่าอาจารย์ใช้คำว่าพระขันอันนี้ว่าเป็นธรรมอาวุธนะฮะเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ไม่ไม่ทำเหมือนคล้ายกับคําว่าธรรมจักรเป็นธรรมจักรชนิดพิเศษที่ไม่มีจักอันไหนเหนือไปกว่าเป็นเจ้าที่ไม่ได้ฆ่าคนแต่สามารถเปลี่ยนคนจากคนชั่วให้กลายเป็นคนดีได้แต่ทำเอออกรณีพระขันหรือพุะทาวุธอันนี้มันเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนใจเทวดาจากที่เคยเกลียดให้มารัก ให้มามีความเคารวบและศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ได้อ๋อไม่ใช่อาวุธบรหัตประหารขายขิน่าไม่ใช่ว่าเห็นเทวดาแล้วสวดเทวดาปวดหัวล้มลงกิ้งไม่ใช่แนั้นนม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนจากคนชั่วให้กลายเป็นคนดีเปลี่ยนจากคนเกลียดให้กลายเป็นคนรักหลังจากให้ให้คนมีเมตตาต่อกันคำว่าธรรมะจากตรงนี้ไม่ใช่ว่าทำมาวุธตรงนี้ก็หมายถึงว่าประหัตประหารกิเลสทำลายอาสวะในตนเอง แล้วก็ถ้าเป็นคําสอนก็บอกคนอื่นให้ให้เขาทําลา ย, ยกิเลสตัวเองเช่นเดียวกันใช่ทำมาจากใครของจากมันนะอาจารย์ครับครับฉะนั้นเรื่องของกรณีเมตสูตรนี้เนื้อหาสาระ <c oughs> คําว่ากรณนิยะกับเมตตาสูตรที่ว่าด้วยให้ไปกระทําให้กระทําเมตตานะ <c oughs> ประพฤติเมตตามีในใจนะให้กล่าวความเมตตาต่อกันกับ ในสถานเราจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อาจารย์ขอเกินนี่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราจะอยู่ไปอยู่บ้านคนที่เขามีเจ้าของแล้วเราก็อาจจะบอกกล่าวเจ้าของเห็นไหมครับนะขอเช่าหน่อยขออะไรหน่อยแตหรือขออยู่เฉยๆหน่อยนะที่เช่นจะมาอยู่วัดก็บอกเจ้าวาดหน่อยอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยประเพณีบ้านเราจะบอกเจ้าที่ใช่ไหมจุดทูปจุดเทียนบอกหน่อยนะฉันจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้นีแม้แต่ก่อนแต่ก่อนเดินป่าเดินอะไรเนี่ยไปปักกดว่าอาจารย์ ครับเนะีเราก็บอกเช่นเดียวกับมก็บอกเหมือนกันนะเนะี่ยทำวัดสวดมนต์ในกดเสร็จแล้วก็นะีบอกเจ้ที่จะทางนะีมีมีคช่างเราบอกไว้ก่อนนะีกลัวมาหลอก <c oughs> ก็บอกว่าขอนอนสักคืนสองคืนนะตรงนี้เราก็บอกเนะี่ยแล้วก็สวดกรณีรอันนี้ก็สวดเหมือนกันครับนะเพราะว่าอาจารย์พอพอจะเล่าได้ไหมครับว่าในพระสูตรนี้มีเนื้อหาที่แปรแปรแล้วสรุปสั้นๆได้ยังไงบ้างครับอ่านิมนต์พระอาจารย์หน่อยครับวันนี้อ่าจําไม่ได้แล้วม พูดถึงกุลบุตรผู้ที่จะไปอยู่ป่านะครับพิสูจน์ทั้งหลายที่จะไปอยู่เนี่ยก็ขอให้เป็นผู้ที่ก็เรียกว่าเอาเอ า, เอาเปลือกจั่วเลยพียันครับถ้าเราเราเอาเนื้อเนื้อหาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันว่าในเนื้อหามีความหมายอย่างไงครับผมก็ให้เป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันเป็นผู้ที่ซื่อตรงเป็นคนที่่าประพฤติเบากายเบาจิตเป็นผู้ที่ อ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีอติไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะไม่มีอิจฉาในแม่ประจย์ตัว น, นี้ครนะคือกล่าวไปอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มีเมตตาต่อกันนะคนจะม า, มาอยู่ด้วยคนจะไปจะมาให้มีเมตตาต่อกันไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิน้นนะให้เจริญเมตตามีในใจนะทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องเฉียงเบื้องบนก็ ภูมิเทวดาทั้งหลายเบื้องต่าก็อาจจะเป็นสัตว์สาราสิ่งพวกอสัตวน์นรกข้อใดสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเบือ้องเฉียงก็อาจจะเป็นมนุษย์ของเราทั้งหลายทั้งปวงนี้ฉะนั้นให้มีเมตตาต่อกันอย่าเบียดเบียนกันนะก็อาจอย่างนั้นเพราะว่าไปอยู่ป่ายอย่างนั้นแล้วหนึ่งถูกเทวดาถูกผีถูกอะไรเบียดเบียนแล้วก็ขอให้เกิดเมตตาต่อกันเพราะการเบียดเบียนกันนั้น <c oughs> มีแต่ความอะไรวะครับแค็งใจใช่ไหมเพื่อน ครับไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายอะไรต่างพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นคนอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือเนื้อหาสาระของกรณีมิตรสูตรอีกส่นมากจะเน้นในเชิงที่เป็นเมตให้มีเมตตาต่อกันนะทีนี้มาดูเกินคาว่าเมตตาก่อนพอจาจนอเจ์มี <c oughs> ความเห็นว่าไง เ, เรื่องเมตตาพเจน ก็ก็มีก่อนก่อนที่จะไปเจาะเจะตรงนั้นผมอยากจะดูในรายละเอียดถึงในบทอันนี้นิดนึ่งเพราะว่าอตอนที่ผมไปอยู่กับวัดอของภาวนาโซซายตี้ท่านจะให้เทศภาวนาไอ้ตรงนี้ไว้ก่อนฉันข้าวทุกวันเป็นการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เขาก็จะตัดเฉพาะไอ้ตรงส่วนที่เรากําลังแผ่เมตตาออกมาเป็นคําพูดก็เป็นส่วนที่น่าสนใจก็อยากจะเอามาอ่านให้พวกเราได้ได้ลองฟังดูนะครับไม่รู้จะฟังรู้ไม่รู้แต่ว่าคำ ความหมายก็คือเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์ไยเดชว่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์จะอ่านให้ฟังดังนี้นะจะเปี่ยนคาโานะท่านท่านมาครับไพเดระไพนะไม all being be happy and secure May all being happy happy whatever living being there may be without exception weak or strong long large medium short s o u t e r n or across visible or invisible living near or far Born or coming to birth, may all beings have happy mind. Let no one deceive another, nor despise anyone anywhere. Neither f o r anger nor e l l w i l Should anyone wish h arm to another, as a mother would lift her whole life to protect her all child. Even so towards all living being, one should cultivate a b o u n d a e s heart. One should cultivate for all the world a heart of boundless loving, blending it above, below, and on a l o n d And obstructed without hatred or enemy, whether standing, walking, or sitting, lying down, or whenever awake, o n e c she develops mindfulness, it is called the w i l l i n g dwelling here, not falling into e a r n e s view, but worships an d end of its vision, removing desire for sensual pleasure, one come never again to birth in the womb. a n d เป็นภ a ษาอังกฤษ i ี่เขาใ พระทุกคนต้องต้องสวดก่อนที่จะฉันอาหารทุกวันเป็นการแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเราเอาส่วนนี้เอาไปใช้ก่อนนอนหรือว่าเดินทางไปไหนเราไม่ต้องถ้าท่องเป็นภาษาบาลีไม่ได้ก็เอาเป็นภาษาไทยก็ได้นะฮะที่ ท, ที่ลองลเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาภัยไ ด, ได้ได้สรุปออกมาเป็นภาษาไทยอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นต่อไปก็ได้ทีนี้เราเร า, เรากลับมาถึงคําที่พระอาจารย์ถามผมเรื่องคําว่าเมตตาเนี่ย ส่วนมากเราจะได้ยินคําว่าสัพเพสาต า, าเวลาหนตุอย่างนี้เราใช้เป็นประจำใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการท่องปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมตตามันคืออะไรแล้วเราจะแผ่ออกไปได้อย่างไงนะครับเราเรามีความรู้สึกว่าเมตตาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะจริงๆแล้วการเจริญเมตตาเป็นการเจริญสมถภาวนาชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งเมตตาจริงๆแล้วไม่มีชื่อเป็นเจตสิก ในจิตของเราแต่มีอยู่อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอาโทสะเจตสิกเพราะฉะนั้นอาโทสะเป็นชื่อของเมตตาเมตตาจึงเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตมันไม่ได้เป็นวัตถุไม่ได้เป็นสิ่งของที่เราจะเอาไปหยิบยียนให้กับใครได้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะแผ่เมตตาให้กับใครได้เนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นมาเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่ามาเนเราจะต้องคาวติเวทขึ้นมามนคือมีการบ่มเพาะให้มันเกิดขึ้นกับจิตของเราก่อน แต่ทีนี้ลักษณะของเมตากับความโลภความโลภะความโลภก็คือความกำหนัดยินดีความผูกพันความอาลัยอย่างเนี้ยมันใกล้เคียงกับลักษณะของเมตาอย่างมากบางครั้งเราพยายามที่จ ะ, ะพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นมาแต่มันไม่ใช่มันกลายเป็นพัฒนาความโลภขึ้นมาเราก็มีตัวอย่างอะไรที่ให้เห็นลักษณะของเมตตาอีกหลายๆตัวอย่างครับผมบุคอลครับขอตัวอย่างหนึ่งจารย์อย่างเช่ น, นครับ uh huh. อ่ ในลักษณะแรกที่เราเราอยากจะเสนอให้ดูว่าลักษณะของเม่ตา ก, ก็คือความไม่โกรธมันก็จะมะีพระสูตรที่เล่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับภรรยาของพรามณ์ท่านหนึ่งเป็นคนที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างมากมีศรัทธาอย่างมากปกติเธอก็จะภาวนาเวลาตกใจว่า นโมตัสสะพระคัมภีตัวอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธะครบชุดเลยมีมีใครไปใช้บ้างหรืเปล่าอาจารย์เพราะตกใจพีเวลาตกลุมตกบ่อนะครับครับตกลุมตกบ่อโดนสะดุดอะไรขึ้นมาปั๊บตกใจขึ้นมาปั๊บแทนที่จะอุทานอย่างของเราก็ตกใจภาษาแปลกๆแต่นี้เขาตกใจขึ้นมาปั๊บนโมทัสสะพระคัมภีตัวอรหันต์ัสมมาสัมพุทธะอย่างนี้ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเขากําลังจะเอาอาหารไปไปทําให้สามีของเขาชื่อท่านภารัทวาชพามนะครับ พาละวาทว่าถ้าพามนี่ก็เป็นาพามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกลุ่มในสมัยนั้นมากป ร, กรากฏว่ขาขณะที่กำลังถืออาหารขึ้นมาเดินสะดุดบันไดพอเดินสะดุดขึ้นมาปั๊บก็โต้งขึ้นมานโมตัตสสะพระควาตโตอะรโตสมาสัมพุทธัสสะฝ่ายสามีก็ขี้โกรธพอโกรธขึ้นมาปั๊บบอกนางนี่เ้าเรียกว่านางถอยเธอนี่ช่างมีความนับถือสรัทธาในาพระสมณะอ่าโคดมอย่างมากนะ ฉันไม่พอใจอย่างยิ่งเดี๋ยวฉันจะต้องยกวาท่าขึ้นไปประทะคารลมกับท่านสมณะโคโดมของเธอให้ได้ดูซิว่าจะแน่สักขนาดไหนเพราะปกติพราหมพค์นี้เขาจะเก่งในการโตวาท่กันฝ่ายภรรยาเขาเลยบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เคยเห็นใครที่จะไปโตวาท่ชนะท่านพระมหาสมณะโคโดมเลยนะถ้าเธออยากจะลองนะเธอก็ลองเข้าไปดูเดี๋ยวจะได้รู้เองว่ามันจะเป็นยังไงปรากฏว่าพราหมก็ไม่เชื่อภรรยาก็จะแจงไปด้วยความโกรธโกรธมากเลยนะครับไปถึงหาพระพุทธเจ้าเสร็จปั๊บก็ ทักทายปราศัยด้วยกันเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันแล้วก็นั่งอยู่ในที่โคนแห่งข้างหนึ่งแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าด้วยความโกรธว่าขณะนี้กําลังโกรธนะบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระสมณะโคดมมีความพอใจที่จะฆ่าอะไรเป็นที่หนึ่งจำได้ไหมคาถามถามว่าฆ่าอะไรได้ย่อมเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระสมณะโคดมยินดี พอใจที่จะฆ่าธรรมะอะไรเป็นที่หนึ่งส่วมาก<อ>ส่วมากคนทั่วไปเขาจะฆ่าคนที่เราโกรธใช่ไหมจ๊ะใช่คนที่เราโกรธแต่พ ร, รากฏว่าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเนี่ยพามคนนี้เข้ามาด้วยความโกรธพระพุทธเจ้าก็ทรงมีเมตตามากทีนี้ลองเปรียบเทียบดูนะว่าความเมตตาเกิดขึ้นเมื่อปะทะกับความโกรธท่านทําอย่างไรพ ร, พระพุทธเจ้าก็ตอบด้วยความสงบอาจารย์เดี๋เพิ่งเดี๋ยเพิ่งต่อเดี๋ยวไมโยมเขาบอกว่าโยมเขาหลายคนมีคําตอบในใจโยวเขาตอบไปยังไงโยมได้ยินข่าวว่าได้ ถามถามเมื่อกี้ถามพระเจ้าว่าค่าอะไรจริงจะมีความสุขให้แม่ ย, ยัครับนะยยมสวรรค์ว่าไงาก็ใครกินเลียดนะ<ช>โอ<ฮ>้โหเอไม่ชีชชเอาทั้งสองคนแล้วก็ได้ <c oughs> ค่ะอ น, นอนุโมทนาจันถ้อพระเจ้าต้องก็ตอบด้วยความสงบนะตอบด้วยความ อ, อารมณ์เย็นอารมณ์ดีและตอบด้วยความเมตตาท่านบอกว่าบุคคลค่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุข บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดุราพามพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมยกย่องการฆ่าความโกรธอันเป็นรากเหง้าของโทษ ท, ทั้งหลายบุคคลฆ่าความโกรธได้นั้นแล้วย่อมไม่เศร้าโศกนี่คือคําตอบของพระพุทธเจ้าทมกำลังโกรธแต่พอพระพุทธเจ้าบอกว่าฆ่าความโกรธได้แล้วมีความสุขปับ๊บพลิกเลยที่ความคาดหมายจากที่มาด้วยความโกรธปั๊บบอกโอ้โห ว, ว่าถ้าของพระองค์นี่แจ่มแจ้งมากเหลือเกิน ตัดสินใจลืมลูกลืมมีอะไรบอกข้าแต่พระ อ, องค์ข้าพระเจ้าขอบวชอยู่กับพระ อ, องค์ปรากฏว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับก็ปฏิบัติธรรมได้สัมมาปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุธรรมและในเวลาต่อมาพระท่านภาวัฒนายชพรรมได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพาระอรหันต์ทั้งหลายปรากฏว่าตรงนี้ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าขณะที่คนที่กําลังมาด้วยความโกรธแต่อีกคนนึงมีความเมตตาจะเห็นว่าความเมตตาคือไม่กโกรธ นี่นี่คือเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจุดที่หนึ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นให้ให้ให้ให้พวกเราได้ได้สัมผัสว่าขณะนี้ในจิตของเรามีความไม่โกรธอยู่ในใจหรือยังเวลามาเจอเพื่อนเจอใครที่ทําให้ขัดเคืองใจเกิดขัดเคืองอารมณ์เรามีความไม่โกรธอยู่ในใจไหมความไม่โกรธอันนี้มีเข้ากับบุคคลใดแล้วเราสามารถที่จะทำให้ความไม่โกรธตรงเนี้ยเสมอเหมือนเข้ากับคนอื่นได้อีกไหมอันนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาคื อ, อแผ่สภาวะจิตที่เกิดขึ้นในจิตตรงนี้ครับอาจารย์มีคําหนึ่งที่บอกว่าการที่เราไปโกรธคนอื่นเนี่ย นะก็ถ nah. <Yes? ือว่าถ้าเราเย็นได้ถือว่าชนะหรือว่าประเสริฐที่พระอาจารย์ใช่ครับแต่ถ้าเราไปโกรธตอบเขาบอกว่าชั่วกว่าคนที่เขาโกรธเรานะใช่ไมพระอาจารย์คำนี้ใช่ครับใช่อืมถ้าเราไปโกรธตอบเขาเนี่ยคนที่ถูกคนที่เราไปโกรธเขาเนี่ยเราชั่วกว่าเขาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเพื่อเตือนอาจารย์ตรงนี้เห็นก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นเรื่องต่อกันอันนี้เป็นเรื่องของน้องชายของท่านภารทวชพรมได้ข่าวว่า พี่ชายมาบวชอยู่ในศาสนาพุทธแล้วก็มีความโกรธมากโกรธกอดพระพุทธเจ้าแม้มากรมพี่ชายก็ได้ยังไงเพราะว่าตระกูลนี้ให้เป็นตระกูลที่มีความมีความมีชื่อเสียงในการโต่ ว, วาท่าแล้วก็มีความรู้ใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในทางศาสนาของเขาได้อย่างดีมากนะครับปรากฏว่าน้องชายคนนี้ชื่อว่าอโกุสกะทะวาร พ, พาระทะวาชาพนมนะครับ ก็โกรธมากเข้ามาหาพระพุทธเจ้ามาถึงก็ด่าด่าด่าาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไงโกรธแล้วก็ด่าด้วยคําหยาบคายอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาใช่กันคนนี้มีความสามารถในการด่าได้เก่งมากแต่ในขณะนั้นพระพุทธเจ้ามีความสงบนิ่งใจเย็นไม่ว่าตอบไม่ด่าตอบกลับถามด้วยความใจเย็นทักทายปราศัยดูกรธาม เออพราหมณ์เคยมีแขกมีเพื่อนมีญาติสาโรหิตมาเยี่ยมเยียนที่บ้านบ้างไหมเขาเปลี่ยนเรื่องคุยเลยอ่ะปรากฏว่าอโกสกพราหมณ์ก็เลยบอกว่ามีพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยถามเวลาพวกแขกมาหามีญาติมาหาเพื่อนพี่น้องมาหาเนี่ยเคยเอาอาหารเคยเอาของ ข, องขอบเคี้ยวเคยเอาน้ําเครื่องดื่มของที่น่า ย, ยินดีอย่างเนี้ยไปเลี้ยงต้อนรับเขาบ้างไหม โอ้ยประจําเลยพระเจ้าค่ะเวลาใครมีมีแขกมีใครไปใครมาปั๊บก็เอาอาหารเหล่านี้มาเลี้ยงมาต้อนรับเขาอย่างดีพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าเคยมีบ้างไหมที่เวลาเอาอาหารเอาเครื่องดื่มเอาของเคี้ยวของของอร่อย อ, อร่อยอย่างนี้ไปต้อนรับแขกแล้วแขกไม่กินไม่เคี้ยวไม่ดื่มก็มีบ้างเป็นบางครัง้งบางคราวเขาก็เลยถามต่อไปว่าเอาถ้าอย่างนั้นแล้วถ้า แขกไม่กินอาหารเครื่องเคี้ยวเครื่องดืม่มของอรร อ, อร่อยอย่างนี้แล้วของเหล่านั้นยังจะเป็นของใครอยู่ล่ะถ้าเขาไม่กินของเหล่านั้นก็ยังเป็นของข้าพระองค์อยู่สิพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่ายัางก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละการที่เธอมาด่าเราเธอมาว่าเราเราซึ่งไม่ได้โกรธตอบการที่เธอมาตาหนิเราหมายมั่นเราโดยที่เราไม่ได้มีความโกรธอะไรอย่างนี้ตอบของทั้งหลายเหล่านี้ ยังจงเป็นของเธอต่อไปไม่ใช่เป็นของแล้วคําด่าคําด่าทั้งหลายที่ดา่ <c oughs> ดา ด, า ด, า ด, ด่าไป พ, พุทธเจ้าไม่รับเธออาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ได้รับด้วย <c oughs> จงเป็นของคนที่ด่าที่อันนี้เราน่าเอาไปใช้นะโยมนะหรื <c oughs> อว่าคําต่อคําเลยใช่ไหอ <c oughs> ไม่ใช่คําต่อคำํำเราดา่ดาด่ามาแล้วพระพุทธเจ้าแปลก น, นะคือท่านมีปัญญาว่าบางครั้งควรตอบโต้ชี้แจงบางครั้งควรนิ่ง บางครั้งก็อยู่เฉยๆบางครั้งก็เดินหนีไปนะไม่สนใจในะหลายครั้งที่เขาขึ้นเชื่อว่าคําด่าในประเทศอินเดียนี่เก่งมากนะไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะด่าเกลวันเกล็ดคืนไม่ซ้ํากันก็มี <c oughs> ครั้งที่พระอานนท์ไปบิณฑ บ, บาตพระพุทธเจ้านะเดินตามหลังไปเนี่ยปรากฏว่านางมาคันธยาโกรธพระพุทธเจ้ามากในฐานะที่พระเจ้าด่าว่าโอ้ยแกหลงตัวเองว่า เ, เองสวยนะแม้แต่ตัวเธอแม้แต่ปลายเท้าเราก็ไม่อยากให้แจกให้แตะเลยอะไรเงี้ยนะ นางหลังจากที่รักพระเจ้าสุดหัวใจก็กลายเป็นเกลียดสุดหัวใจหลังจากได้ยินคํานั้นก็เลยจ้างคนไปด่าพิพินธบัติที่นั่นก็จ้างคนไปดกัดกดกัดกดกัดกดกัดกด่าอย่างเดียวอจนว่าอานุ น, นบอกพระเจ้าไอคนเมืองนี้บ้านนี้มันกักข่าเหลือเกินเราหนีไปบินณบัติที่อื่นไหมเราไปที่อื่นไหมพระเจ้าบอกว่าจะไปไหนละอานุนมันงั้นอ๋อเราก็ไปนู่นเซนเดโกอนุนมนงั้นสมมตินะเออเอาเขือเซนเดโกก็ได้แล้ไงแล้วก็ไปนูน Saint o, นน่นไนะ <laughs> อ, อ o, าาไปอไหนต่อละ ดูถ่าไปอ่านนแหละไปตะพึตะเพืานั่นแหะรู้จักตะพึต่ตะเพื่ป่ะพยอมฮะไปที่ต่างๆเราไปรัดนั้นแควนนี้ไปเรื่อยๆนะจนพระเจ้าจนบอกว่าถ้าเขาด่าเราไปอย่างนี้ตลอดไปแหละมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพระเจ้าบอกว่าถ้าอภิกรเกิดขึ้นที่ไหนให้อยู่ตรงนั้นเอาชนะตรงนั้นซะก่อนเนะี่ยใช่ไหมอย่างเช่นอ่าคนมันดา่าครับถ้าจ้างมาดา่ามันดา่าไม่นานมันก็เหนื่อยก็หายด่าเองเห็นไหมอย่างเช่นเราเนี่ย ถ้าถูกเขาด่าด่าๆเนี่ยบางครั้งเราเฉยอีกตันึงเขาด่าเรื่องอะไรเขาด่าทําไมทําไมพ่อด่าเราควรจะแก้ไหมหรืออยู่เฉยถ้าพอแก้ไขแล้วต้องแก้หรือว่าใช้ปัญญาใช้อธิกรมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องอยู่แก้ไขถ้าเราหนีเดี๋ยวไหมท่านหนีไปปั๊บกลายเป็นผิดเป็นทีเลยแต <c oughs> ถ้าเราแก้ชี้แก้ให้ด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์นี่เราจะสามารถอันนี้ได้ฉะนั้นอ่าขึ้นเชื่อว่าการด่าแล้วนะพ่อเจ้า อยู่เอาจนเขาเรื่องจริงกระจ่างแล้วพวง ก, กิงจะไปนะครับอาจารย์แล้วก็แต่ว่าไอ้คำว่าเมตตาเฉยๆแปลว่าไม่โกรธใช่ไหมอาจารย์คือความไม่โกรธแต่ที่ขอให้ลองสังเกตด้ว่าไม่ใช่<ต>สงสารแล้วอาจารย์นึกยังไงอ่านั้นมันเป็นเป็นสิ่งที่มาประกอบเป็นเป็นสภาวะธรรมที่เกิดหลังจากที่เรามีมเมตตาแล้วขออภัยสมมติอย่างเช่ยนโยมประคลองนั่งอยู่แล้วอาจารย์นี่โยมประคลองนั่นเลยนะแกเป็นคนที่สงสารมากมีเมตตาไม่ว่าแมวหลงมาจากไหนแกจะเป็นเลี้ยงที่บ้านหมดเลยเงี้ยตอนนี้ เดยวนี้แมวเยอะกว่าคนแลบ้านน้องแค่ไหนฉะนั้นอันนี้เป็นความสงสารเป็นการอนุเคราะห์กันที่เราอนุเคราะหเลี้ยงเป็นการอนุเคราะห์มันเป็นผลเหมือนกันอย่างที่เราทำทานไงอันเป็นเป็นทานอันเป็นเกิดหลังจากที่เรามีจิตเมตตาแล้วจิตเมตตาเป็นจุดเริ่มต้นแต่ทีนี้เมื่อเมื่อสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดเพราะฉะนั้นอาจารย์ึพยายามพยายามเจาะคําว่าเมตตาตัวแรกก่อน เพราะเมตามันคืออะไรเพราะบางครั้งเราพยายามที่จะฝึกให้มันเกิดเมตตาแต่มันไม่ใช่มันไปนเกิดตัวอื่นขึ้นมาแล้วเราก็หลงที่จะปฏิบัติ ทำต่ออย่างต่อเนื่องปรากฏว่าไม่ตามไม่เกิดมันกลายเป็นโลภะเกิดขึ้นมาในจิตของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวการที่เราจะฝึกเมตตาได้เนี่ยเราจะต้องมีสติปัฏฐานคือจิตเราจะต้องตื่นรู้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลขณะนี้ในจิตของเราตัวเมตตาเป็นกุศลแต่ตัวโลภะเป็นตัวโมหะหรือตัวตัวความไม่รู้ตัวความม ง, งายเนี่ยเป็นอกุศลที่มันเกิดอยู่ในจิตของเรามันจะสลับกับคู่กันมาก เมื่อเราเมตตาแล้วเนี่ยมันจะต่างจากโลภะตรงที่เมตตาจะไม่เกิดความผูกพันแล้วทําประโยชน์ให้กับสัตว์ทำประโยชน์ให้กับมนุษย์แต่ไม่เกิดความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อไรก็ตามมีความผูกพันว่า น, นี่คือลูกของฉันนี่คือแมวของฉันนั่นคือหมาของฉันเมื่อไรก็ตามที่หมาเรากับหมาคนอื่นกัดกันปั๊บเราจะไปตีหมาคนอื่นนี่แสดงว่านี่ไม่ใช่เมตตาละสมมติว่า <laughs> เ, เห็นแมพ่พระจานทร์นี่นี่ น, นคือเมตตาจริงๆรเมตตา ท, ที่ที่มันสัมพันธ์บริการมีมีเอวบริการเอออืม <c oughs> ก็ก็ดีนะแต่ว่าอย่างเงี้ยยมประคองการเมตตาเนี่ยคือเมตตาเป็นคนธรรมตัวแรกที่มันจะให้เกิดความกรุณาแล้วก็ความมุนิตาอุเบขาต่อมาถ้าเมตตาไม่เกิดแล้วเนี่ยอคนธรรมอีกสามตัวมันก็ไม่เกิด ฉะนั้นถ้าเมตตาตัวนี้เนี่ยคนเราอ่าสมมติายมปกครองมีเมตตาต่อสัตว์เนี่ยนะก็โอเคความเมตตามันดีอยู่แล้วนะเพราะอื mm hmm. เพราะความเมตตาเนี่ยทําให้โลกเราอยู่ได้ mm hmm. อย่างเช่นบอกว่าเมตตาทําค้าจุนโลกใช่ไหมพยันใช่ครับอโลกเราถ้าไม่มีเมตตาต่อกันแล้วเนี่ยอ่าโลกนี้จะลุกเป็นไฟทันทีเลยเพราะอะไรเพราะไฟแห่งราคะโทสะโมหะมันแรงนะทีนี้แล้วก็แต่ว่าความเมตตาตัวนี้จะถ้าเราไม่มีตัวหนึ่งที่มากํากับเนี่ย เราก็ทุกข์เพราะเมตตาทีเา่เอาาียนยมปกคองอ่ยเอาแมวมาเลี้ยงหลายตัวหรือใครก็แล้วแต่นะเมตตาต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเกิดมันพัฒนากเกิดมันจากเกิดมันตายเกิดมันเสียหายเนี่ยะถ้าเราไม่มีอุบเบกขาเนี่ก็เมตตาก็นำมาซึ่งทุกข์เหมือนกันนะร้ะองไห้ตามบางคนเอาพอาจารย์ทํำเอาสังฆทานมาเยอะเลยนะเอามาเอาอลูกตายอาจารย์ช่วยไอ้ทาบุญสังฆทานให้ลูกหน่อยอาตอมาก็รจะว่าลูกชื่ออะไรชื่อไอ้ แัดดีอะไรวนะอตัตมาก็เอาทำก็ทำนึกว่าคนนะก็สวดภาสวดอะไรอะไรอย่างดีเลยนะสังฆทานใหญ่สวด น, นานหน่อยนะ <c oughs> ทำให้มันคือคือหน่อยสักง น, อ, นอ่อทีนี้หลังจากทำพิธีเสร็จลูกอายุกี่ขวบแล้วรอววมตายโอ้ยขวบครึ่ง ไหนเอารูปมาหรือเปล่าเอามาเอารูปมาด้วยนะเราจะบางสกุลต้องมีรูปบางพ้องพูดไม่ออกในเราเนะยเออเป็นรูปหมาเออรักหมามากนก็ขอๆก็ไม่เป็นไรเราคือความรักน่ะมันดีแล้วล่ะแต่ว่าถ้ามันพัดภากันจากความความรักก็นํามาซึ่งความทุกข์อย่างเช่นพระท่านบอกว่าเปียโตชยเตโสกนะเปียโตชยเตพยังยังไม่ยอมเปิลมีอะไรรักเร้าเนล่าะความโศก ย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักแล้วก็ภัยทั้งหลายทั้งปวงก็มากับสิ่งอันเป็นที่รักภัยภัยแห่งความพัดพลาดภัยแห่งความทุกข์ความเจ็บความปวดทั้งหลายทั้งปวงนะความโศกเช่นเดียวกันถ้าเราไม่รักมันตายก็ช่างมันเะ้า่จไหมเดี๋ยวเราจะไม่โศกเอาคาถาอาจารย์นายแพทย์พงศักกิ์เคใช่ไหมขึ้นนั่งรถปับ๊บท่องเขาบอกว่าคาถาหกคาไม่ทําให้เราทุกข์หยู่ในชีวิตคู่นะเขาบอก <laughs> เขาเอภัยแะ้วใช้คำนี้อเขาบอกว่าเอ่า ถ้ามันนั่งรถกับเราเราสวดเสศษไขมนันแล้วสักวันละสามครั้งสี่ครั้งวันนั้นคาถาหกคอาอมายมนิด <c oughs> เวลายมเวลาแฟนเวลาใครเป็นอะไรเนี่ยเราจะไม่เป็นไรไม่ทุกข์นี่นั่งรถเต่าก็บทองไขมันสักสักวันมันต้องทิ้งกูอสวดสขมันเลยนะสักวันมันต้องทิ้งกู <c oughs> ขออภัยนะเกิด <c oughs> พอพอเขาทิ้งปั๊มนี่งหัวรอดเลย กูว่าแล้วเล ย, ยนะคาถาบทนี้นะฉะนั้นความรักความเมตตาความอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ว่ามันยังทําให้เราเดือนว่าแต่เกิดแล้วเก็บปวดอยู่กับมิตรสงสารนี้อีกยาวนานนะเพราะเมตานั้นนะท <นะ S 1> ่ญญานอาจารย์ท่านแปลถูกว่าคือความไม่โกรธตัวนี้สําคัญนะอาจารย์ครับโ <ฮะ S 1> ดวยเฉพาะอย่างนี้ไงไความโกรธนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดง่ายมาก ความไม่พอใจความความยินดีความยินร้ายไอ้ตัวนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นง่ายมากเ mm. พราะฉะนั้นอนาจารย์ถึงพยายามให้ดูว่าตอนนี้สภาวะเจตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร ต, ต่อโต้กับคนที่มาด้วยความโกรธสารพัดด่าด่ดา่ด า, ด า, ด า, ดาเป็นได้เป็นชุดเป็นชุดแล้วท่านตอบโต้อย่างไรท่านนักก็ยังตอบโตอ้อีกด้วยนะครับว่าผู้ใ ด, าดา่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่หมายมั่นตอบบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ย่อมกินร่วมกันย่อมทำร่วมกันเราเรานั้นไม่ได้กินร่วมไม่ได้ทำร่วมกับท่านเป็นอังคารผู้ใดไม่โกรธฝึกตนแล้วมีความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วพอรู้ชอบสงบอยู่ความโกรธจะมีมาจากไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นแต่เป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธเสียอีกบุคคลผู้ไม่โกรธตอบ ผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลเอาชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้อาจารย์เน้นตรงนี้นะเมื่อเห็นผู้อื่นโกรธแล้วเราควรเป็นผู้มีสติระ ง, งับสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสําคัญว่าบุคคลนั้นเป็นคนโง่อันนี้อาจารย์เน้นว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเราจะเจริญเมตตาเราจะต้องมีสติ เพราะว่าการที่เราเจอกับคนโกรธขึ้นมาปั๊บโดยทั่วไปไม่ว่าจะเพื่อนเป็นเพื่อนเราพูดอะไรที่กระทบกระทั่งขึ้นมานิดเดียวปั๊บอารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นมาเลยเมื่อไรก็ตามที่มีอคศิเกิดขึ้นในจิตปั๊บเราเจริญเมตตาไม่ออกต่อให้เราท่องเก่งขนาดไหนท่องกลินในเมตตาสูตรได้ทั้งหมดมันพลังเมตตามันไม่ออกไปจากจิตมันประสบการณ์ที่หลวงพ่อจรันท่านมักจะสอนกับลูกศิษย์ท่านตลอดเวลาเลยว่าเวลาที่เราจะแผ่เมตตานะให้เพ่งออกไปให้ให้พลังพลังเมตตามันออกไปตรงที่หน้าผากตรงเนี้ย แต่ถ้าเอาว่าเธอไม่มีเมตตานะมันก็ตกตุมอยู่ตรงหน้าตากเธอมันไม่ไปไหนในลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้ยเพราะว่าเราเราฝึกแล้วมันไม่เป็นเมตตาแต่มันกลายเป็นอย่างอื่นไปเสียเมันกลายเป็นความโลภกลายเป็นอกุศลกรรมแทนที่จะเป็นเมตตาครับโดยพระอาจารย์เอออาจารย์กล่าวเมื่อกี้ได้ว่าความโกรธถ้าเป็นถ้าพูดก็คือกิเลสอย่างหยาบสุดนะอาจารย์ใช่ครับเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นตามกิริยามารยาอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าพูดถึงอภิธรรมแล้วเนะี่ยท่านจัดไว้ เป็นในอกุศลธรรมจิตสบสองดวงเนี่าความโกรธก็ไม่มากนะเป็นแค่สองดวงเท่านั้นอาจารย์ทำไมันมีอิทธิพล ค, ความโกรธสิบสองดวงความหลงสิบเขอาไปความโกรธสองดวงความหลงสองดวงแต่ความโลภมีถึงแปดวงนะอาจารย์ครับเนีฉะนั้นมั น, ม, นมันหมายความว่าไงถึงต่างกันเยอะไหมอาจารย์ <c oughs> ความโลภนี่มันมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักยกตัวอย่างเช่อนอ่า ความผูกพันเป็นความโลภความห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสลิงคานนี้เป็นความโลภแต่ว่าเป็นความโลภอย่างหยาบการที่เราอยากจะไปได้ของคนอื่นนี่ก็เป็นความโลภที่เป็นอย่างหยาบแต่ไอความยินดีเนี่ยความยินดีความพอใจยกตัวอย่างเช่นเราชอบเล่นอานาปาณสติแล้วปรากฏบด้มีความยินดีลมหายใจเข้ายินดีลมหายใจออกมันลื่นมันชื่นใจมันสบายแล้วเราอยากจะได้สภาวะอย่างนี้อีกนี่คือเป็นการเจริญความโลภเมื่อความโลภเกิดขึ้นมาปั๊บมันจึงไม่เป็นสมถะ เพะฉะนั้นพอเราจะทำสมถาะาปับ๊บมันก็เลยไม่ใช่สัมมาสมาถะไม่ใช่สัมมาสมาธิสิ่งที่มันเกิดขา้ามเกิดขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นความหลงเข้ า, ม, ขามาอะไรที่<แ>อะไรที่อยากคําขึ้นชื่อว่าอยากได้อยากให้ใ<ช>อยากให้อยากให้เขารักอยากให้เขาสงสารอยากให้เขาเห็นใจอยากให้ อะไรที่แล้วแตะที่เราคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างจากคนอื่นนี่คือความโลภทั้งหมดนะเป็นความโลภไปในเวลาเราไม่ตาไม่ตาใครอย่าไปคาดหวังอะไรจากคนอื่นทั้งเมื่อไรก็ตามที่มีความคาดหวังหรือมีความหวังเหมือนอย่างเราลากลูกขึ้นมาปั๊บอยากจะให้ลูกเป็นคนดีขึ้นมาเมื่อไหรปั๊บเนี่ยกลายเป็นความโลภทันทีเลย อืเราไปรักคนเดินไปเดินมาข้างถนนเราก็อยากจะเอาอาหารไปต้อนรับเขาทําการทักทายปาสายมีปฏิสันฐานคือการต้อนรับกาบสู้อย่างดีแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเรากดขึ้นมาปับ๊บนันกลายเป็นความโลภแล้วมันไม่ใช่เมตตาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องสร้างเมตตาให้เกิดในจิตของเราก่อนให้มีเมตตาจริงๆก่อนเราถึงจะแผ่เมตตาออกไปได้ ถ, ถ้าโลภอยากฟังทำเยอะๆอย่างเงี้ย อันนั้นเป็นฉันถ่าเป็นกุศลจริงเาเป็นอคตศรกิจใช่ไอาจารย์ครอ๋อแปลว่าดูที่เจตนาแล้วก็พลจัตนะครับอืมอ่ะนี่คือพูดถึงเมตตาทีนี่อาจารย์มีอานิสงค์ของการเมตตาตรงนี้ไหมอาจารย์อานิสงค์การเจริญเมตตาของกรณีเมตสูุในส่วนนี้ก็ก็มียังยังยังมีแต่เรายังมีเวลาอีกที่จะคุยเรื่องเรื่องอีกอืมอ่าครับผมครับ ผมอยากจะให้ให้ตัวอย่างให้มันชัดๆหน่อยว่าไอ้เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าถ้าหลา ย, ยังสร้างเมตตาไม่ได้ปั๊บเราจะไปหวังอา น, นิสงส์มันก็ไม่เกิดแล้วเราสามารถที่จะไปเที่ยวว่าต่อไปได้เลยว่าน้าต่อไปนี้ถ้าเราจะฝึกเจริญเมตตาแล้วอา น, นิสงส์ทั้งสิบอ็ดอย่างเราควรจะได้อย่างนั้นอืแต่เมา่อไรก็ตามที่เรา ย, ยังนอนหลับไม่เป็นสุขในแสดงว่าเมตตาไม่ได้เกิดในจิตท้ของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเรื่องเป็นตัวอย่างที่ เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันมีภิกษุอยู่คนหนึ่งท่านเป็นคนขี้ขาดขี้กลัวขี้หวาดระแวงได้ยินเสียงต้นไม้ตกใบไม้ตกลงมาก็มีความรู้สึกว่ามีคนกําลังจะมาตามฆ่าท่านอยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับคอยสะดุ้งผวาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเพื่อนก็เลยสงสัยว่าเอภิกษุองค์นี้เป็นอะไรนะทำไมถึงมีอาการอย่างนี้ในขณะที่กําลังสนทนาปราศายกันอยู่ในโรงพธรรมพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้ามาพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาก็เลยถามว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอกำลังคุยอะไรกันอยู่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีภิกษุองค์เนี่ยถ้าทางอาการมีแปลกๆมากเป็นคนขี้หวาดระแวงขี้กลัวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อภิกษุคนนี้เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วเกิดขึ้นสมัยนานจนจำไม่ได้ในเมืองพารณนีมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเป็นชาวไล่ไฝ่เวลาเขาจะไปทางานเขาจะถือไม้เท้าไปด้วยก็จะกวาดแหว่งตีนูนตีนี่ไป ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งขนาดเดินทางกลับจากทําไร่ไถ่ก็เอาไม้ตีข้างซ้ายตีข้างขวามันก็มีเสียงดังก๊อกแ ก, ก๊แ ก, กปรากฏว่าวันนั้นมีแม่หมูตัวหนึ่งกำลังออกลูกพอได้ยินเสียงไม้ตีย่าคาปับเขาก็ตกใจแม่หมูก็เลยหนีไปทิ้งลูกหมูไว้สองตัวผู้หญิงผู้หญิงชร า, าคนนี้เห็นลูกหมูขึ้นมาปั๊บ เกิดมีความรักมีความผูกพันเห็นลับปิ้งขึ้นมาเลยโอ้โหนี่ลูกของฉันฉันได้ลูกแล้วสองตัวก็เลยเอาลูกหมูสองตัวนี้ไปเลี้ยงพ่อรู้วยังไงยังไงแม่หมูเป็นเมื่อหมูป่าตกใจก็คงไม่กลับมาเอา เธอก็เลยเอาลูกมาเลี้ยงไว้ปรากฏว่ายิ่งรักยิ่งผูกพันยิ่งรักเหมือนลูกตัวเองเอาอาหารให้กินอย่างดีมีที่นอนปูที่นอนอาบน้ําอาบท่าให้อย่างดีทุกวันทุกวันแต่ปรากฏว่าแถวแถวนั้นมันไม่ค่อยจะมีหมูเขาไม่ค่อยเลี้ยงหมูกันเหมือนสมัยนี้ก็มีพวก เ, เด็กนักเลียงสุราเขาก็อยากจะกินหมูขึ้นมาก็ามาขอซื้อหมูจากแม่แม่เท่าคนนี้แม่เท่าคนนี้เขาบอกว่าฉันขายไม่ได้ เ, รเพราะฉันรักของฉันมากฉันรักเหมือนลูกของฉันเลยยังไงยังไงก็ไม่ขายเด็ดขาดเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่ามันนีเป็นลูกของฉันทีนี้ อ่าพวกนักเลงอนาพานเหล่านี้เขาก็เลยออกอุบายทํำยังไงถึงจะได้กินลูกหมูของแม่เท่าคนนี้เนา ะ, ะเขาก็เลยไปชวนกันไปซื้อเหล้ามาแล้วก็มาเลี้ยงเหล้ากับแม่เท่าคนนี้ก็เอาเหล้าให้กินแม่เท่าเจอเหล้าปั๊บแม่สุขใจไม่เคยได้กินอะไรของดีๆแบบนี้มานานแล้กินใหญ่เลยลืมตัวกินแล้เมาพอเมาเสร็จไอ้นักเลงก็เลยถามบอกแม่เท่าแม่เท่า ขอหมูสักตัวนะั้นกินแก้มเราแล้แลมันอร่อยนะแม่เท่ากําลังเมาก็เลยลืมลืมความรักลูกหมูไปชั่วขณะเอาขายก็ขายแต่แต่ฉันขายตัวเล็กนะเพราะฉะนั้นฉัรักตัวใหญ่มากกว่าพอตกลงขายกันเสร็จแล้วปับ๊บพวกคนนักเลงมัศุราเหล่านั้นก็เลยชนกันไปลงหมูแม่เท่าก็จะแจงเอาอาหารอย่างดีเลยนะทําอาหารอย่างดีแล้วก็จะแจงน้ําปรุงน้ําอาหารอร่อยแล้วก็บอกลูกหมูตัวเล็กอย่างดีเลยว่ามาลูกมากินข้าวซะอย่างมามากินข้าวซะ รปรากฏว่าลูกหมูเห็นคนมาเยอะแยะมีถือบ่วงถืออาวุธมาพร้อมเลยเอมันมันท่าทางแปลกๆแม่ไม่เคยมีอาการอย่างนี้ทุกครั้งจะเอาข้าวอาหารดีๆก็จะเอาให้พี่ชายกินก่อนทําไมวันนี้แม่เอาเอาของเหล่านี้มาให้เรากินก็เลยไม่กล้ากินก็ลนลานกลัวมากแล้วก็เลยเดินเข้าไปหาเคลียร์คอกับหมูตัวพี่ไอหมูตัวพี่เขาก็ไม่กลัวนะครับก็เลยปลอบน้องบอกว่าเธออย่ากลัวไปเลยอย่านขนไหวยไปเลย แม่เขาเลี้ยงเราก็ต้องการเนื้อแต่ก่อนเราก็เคยมีที่พึ่งได้แต่วันนี้เราไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายเธอจง อ, อาบน้ําชําระมนตินของตัวเองอาบน้ําสะอาดชาระมนต์ถินแล้วหาเครื่องรูปไร้ของหอมเอามารูปไร้ตัวเองดีกว่าแล้วก็เตรียมตัวที่จะตายซะเถอดอย่างอย่างสงบเลยตายอย่างมีความดีปรากฏ ว, ว่าคนทั้งหลายเห็นอาการของลูกหมูที่ลนลาน ตัวเล็กกลัวตายแต่ตัวตัวโตไม่กลัวตายกับปลอบน้องได้แม้แต่ตัวตัวแม่เท่าเห็นอาการอย่างนั้นก็เลยสงสารเกิดความสงสารเกิดความเมตตาจับใจขึ้นมาอาการที่เคยเมาก็หายเมาพวกคนที่อยากจะฆ่าอยากจะกินเนื้อหมูพวกนักเลงสุราทั้งหลายคิดอยากจะกินหมูก็เลยเลิกกินหมูโยนพวกอาวุธทั้งหลายทิ้งไปบอกว่าเราไม่กินแล้วหมูนะก็เลยลูกหมูตัวนั้นก็ปลอดภัย สิ่งที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างจากตรงนี้จะเห็นว่าอาการเมตตาที่เกิดขึ้นจากจิตใจนั้นมันไม่ได้เกิดจากการท่องแต่มันเกิดระหว่างจิตกับวัตถุไม่ใช่ตัววัตถุที่ไม่มีชีวิตแต่ต้องเป็นวัตถุที่มีชีวิตต้องเป็นสัตว์หรือบุคคลเท่านั้นที่เมตตาจะเกิดขึ้นกับเขาได้จะเห็นว่าเมตตาในที่นี้หมายถึงการให้อภัยให้ชีวิตเขาเลยที่เคยอยากจะกินเขาอยากจะนั่งปับ๊บมันหายขึ้นไปได้ อ น, นี้ก็เป็นลักษณะอีกอันหนึ่งของเมตตาเพราะฉะนั้นมองมองเห็นภาพได้ยังว่า ล, ลักษณะเมตตาทั้งหมดที่อาจารย์พยายามจะใส่เข้ามาก็ <c oughs> จะมีลักษณะที่เดียเด๋ยวเราจะเจาะขึ้นไปทีหลังอีกทีก็แล้วกันนะครับจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตเท่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราท่องขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราสามารถะสะสมขึ้นมาได้โดยการเหมือนกับการเจริญสติปัฏฐานเหมือนกับการทําสมาถภ า, าวนาอย่างอื่น เพราะนั้นการที่มีเมตตาปั๊บ เ, เราจะต้องมีสติเพื่อที่จะแยกเระลึกรู้ว่าขณะนี้จิตของเราเป็นความโลภหรือเปล่าจิตของเรามีกุศลหรือเป็นอกุศลเมตตาเป็นตัวอกุศล เ, เป็นตัวกุศลล้วนๆนะครับที่จะไม่เกิดพร้อมกับความโลภความโกรธหรือความอิจฉาหรือความริษยา <c oughs> เป็นสิ่ง เ, เมตตาเป็นคล้ายๆกับมีความสงสารพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาตอนนี้อนานเคราะห์มีบทหนึ่งว่า ถ้าคนที่จะมีเมตตามในใจเนี่ยถ้าไม่มีสตินี่เมตตาไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องมีสติต้องมีสติจึงจะแยกออกว่าอันไหนคือเมตตาอันไหนคือโลภะโลภะเพราะว่ามันใกล้กันมากระหว่างใกล้การโลภะนัอาจารย์นาโยมพอจับประเด็นได้นะก็ว่าเมตตาโ อยากจะขอสรุปนะครับเม่ตาอันนี้นะครับก็มีมีลักษณะเป็นเป็นมิตรสนิทสนมมีความเอ็นดูมีความเกื้อกูลมุ่งที่จะทำประโยชน์ให้มีความสงสารมีความประพฤติเกื้อกูลเป็นลักษณะมีความเกื้อกูลในสัตว์เป็นรถมีความบำบัดความอาฆาตเป็นที่ปรากฏเห็นสัตว์เป็นที่ชอบใจเป็นเหตุใกล้ มีความสงบความพยายามเป็นสมบัติและเมื่อไรก็ตามที่เกิดความเสน่หาเป็นวิบัตินั่นคือถ้าหลักเราพยายามที่จะสร้างเมตตาขึ้นมาในจิตเกิดความเสน่หากับสัตว์นั้นหรือเกิดในความเสน่หากับบุคคลที่เราไปให้ความเมตตาปั๊บมันจะกลายเป็นโลภะกลายเป็นอกุศลทันทีเมตตาหายหมดเลยแผ่ไม่ได้ครับ อ, นนอันนี้สรุปไว้พเจานนะครับพเจานกลัวหมดเวลาแล้วสรุปเร็วจังเลยนะครั บ, รบทีนี้เมตตามีอยู่3ามระดับเมื่อบอกพาจาน เนี่ยเมตตาขั้นเขาเรียกว่าเมตตาขั้นบาลมีเมตตาบารมีเนี่ยนะเมตตาอันที่หนึ่งคือเมตตาบารมีธรรมดาอันที่สองคือขั้นอุปปารมีขั้นที่สามคือปรามัตถาปารมีในพระจน์มีควมที่เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ค้นมาขอขอพระอาจารย์ช่วยชี้นําด้วยก็ง่ายๆนะพจนจารับผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็ว่าเมตตาตัวนี้ก็ธรรมดาทั่วไปของเราทั้งหล ค, คุณโยมทั้งหลายนะเมตตาก็ไปเห็นอันนั้นอันนี้ก็เมตตาแต่ว่าอาขั้นอุปา ป, ปารมีเนี่ยคือมันเข้าไปในจิตในใจคือเกิดแนบแน่นเลยอะ่ะนะไม่เมตตาธรรมดาคือ อ, อย่างเช่นเมตตาธรรมดาเราไปเห็นอะไรเห็นคนเห็นอะไรทุกข์ยากลําบากล้วก็อยากจะให้สงสารคือมันโดยนิสัยนะถ้าคนที่มีนิสัยขี้เมตตาแล้วเนี่ย เห็นอะไรที่อยากจะช่วยเหลือก am ็ช่วยแต่คนที่ไม่มีนิสัยเมตตาเห็นอะไรก็เฉยไม่เคยช่วยไม่เคยสงสารก็มีฉะนั้นสังเกตดูไม่ใช่สังเกตดูเราแต่สังเกตดูระหว่างคนเมตตาคนไม่เมตตาในต่างกันเพื่อนฝูงที่เราไปด้วยกันจะเห็นชัดเจนนะอันนี้คือขั้นขั้นถ้าเป็นขั้นปรมาตปารมีคือพูดถึงเรื่องของลึกภายในสู่จิตใจอาจารย์ว่าขั้นของการประพฤติปฏิบัติสู่ขั้นวิปัสนาเจริญเมตตาบารมีครับนะครับ แล้วก็ง่ายๆนะครับจะเห็นว่า ท, ที่เราเจริญเมตตามาตอนแรกเนี่ยเราเราสร้างให้มันเป็นฐานขึ้นมาในจิตของเราก่อนหลังจากที่เราเจริญเมตตาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้หกุศลจิตอื่นๆติดตามขึ้นมาอย่างเช่นหลังจากที่เรามีเมตตาจริงๆแล้วนะฮะ เราจะกลายเป็นคนที่ชอบทำทานเราจะเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานและจะชอบทำตัวให้เป็นประโยชน์และจะเป็นคนสม่าเสมอเราจะเป็นคนมีความซื่อตรงมีความอ่อนโยนละมุนละไมไม่หยาบคายไม่แข็งกระด้างมีความเจียมตัวเจียมใจมีความอดทนมีความอดกลั้นไม่หลุร้ายไม่ปากร้ายมีความแช่มชื่นมีความ ไม่ร่วงละเมิดทั้งทางกายวาจาและจิตใจเป็นคนที่มีศีลสำรวมดีเป็นคนที่มีคําพูดอ่อนหวานมีวาจาสละสลวยไม่หยาบคายแล้วก็มีการปฏิสันฐานคือมีการต้อนรับกับทุกไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของหรือการเป็นต้อนรับด้วยธรรมะหรือให้ความให้กําลังใจนะอันนี้ก็เป็นผลของการเจริญเมตตาแต่แต่พูดถึงคุณพูดถึงเมตตาแล้วพูดถึงคุณของพระเจ้าครับจะไม่ ไม่มีคำว่าเมตตานะพญานมีมหากรุณาธิคุณบริบสุทธิคุณแล้วระปัญญาคุณสามอย่างครับครับทีนี้เมตตาคำว่ากรุณาของพระเจ้ามันต่างกันยังไงพญานเพราะพระองค์ไม่มีคำว่าเมตตานะแต่ว่ามีคำว่ากรุณาแต่ว่าคำว่าเมตตาจะอยู่ที่พระโพธิสัตว์ คือเมตตานี่จะเป็นวัตถุเ ป, เป็นเป็นฐานอันแรกของกุศลจิตหลังจากที่ะจะเจริญเมตตาได้แล้วเนี่ยก็จะมีะกุศลจิตขั้นอื่นๆตามขึ้นมาซึ่งก็จะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเมื่อเราจเจริญเมตตาแล้วเนี่ยจเจริญเมตตาอย่างเดียวโดยที่ไม่เสือไม่คายก็จะเป็นปัจจัยให้เราเกิดในภพมโลกโดยมีอายุชั้นภพมกรยิกาอายุประมาณ1น่งกับ แต่เมื่อใดก็ตามที่เจริญเมตตาจนกระทั่งเกิดชาณจิตประกอบด้วยการุณามีความการุรอณาเพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนชานไม่เสื่อมก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดในพมโรขชฌานอภัสรามีอายุประมาณสองกัปแต่ถ้าเจริญเมตตาโดยที่มีมุทิตาจิตเกิดขึ้นเป็นชานจิตโดยไม่เสื่อมก็จะเป็นปัจจัยให้เราเกิดในพมโลขชั้นสุภกินหากาอายุประมาณสี่กัป และก็ถ้าหากว่าเจริญสูงขึ้นไปอีกกว่านั้นอีกคือการเจริญเมตตาจนเป็นชานจิตที่ประกอบไปด้วยอุเบกขาโดยไม่เสื่อมเลยจะเป็นปัจจัยให้เกิดในพรมโลกชั้นเวหาภลาอายุประมาณห้าร้อยกับอันนี้เป็นอันนี้สองของการเจริญเมตตา จะเห็นว่าเมตตานี้เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้นเองหลังจากนั้นเมตตาก็จะประกอบไปด้วยกุศลจิตตัวอื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีกรุณามีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขาเป็นถ้าหากว่ามาถึงขั้นอุเบกขานี่ก็จะเป็นขั้นสูงสุดของเมตตาพริหารครับเพราะว่าเป็นคุณธรรมตัวแรกที่ทําให้อ่าคุณธรรมตัวอื่นตามมาใช่ไหมอาจารย์ถ้าไม่มีเมตตาแล้วนี่ความการุณาก็ไปตามมาคือถ้าสมมติเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งที่ลําบากทุกข์ยากเนะี่ยถ้าไม่เมตตาแล้วเนี่ย ความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงใช่ไหมครับฉะนั้นความเมตตาเนี่เป็นตัวคือที่เกิดขึ้นในใจนะมันไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในใจก่อนนะครับพอเมตตาปั๊บแล้วเนี่ยมันก็คิดหาทางช่วยเหลือระ้วก็กรุณาตามมานะช่วยหาทางจะทํำยังไงให้เขาพ้นจากทุกข์ให้เขาอยู่ได้ให้เขาสบายนะหลังจากนั้นเมตตาแล้วเกิดเขาช่วยเขาได้ดีแล้วบางคนขาดตัวหนึ่งนะ เขาได้ดีกว่าทีนี้หลังจากเขาช่วยเขาแล้วเขาได้ดีกว่าเริ่มอิจฉาแล้วทีนี้ทวงบุญคุณเห็นไหมมันได้ดีเพราะฉันนั่นแหละฉันช่วยมันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ได้เพราะฉันนั่นแหละมันไม่มาหาฉันเลยทีนี้ครับก็เลยเกิดทวงบุญคุณเขาเลยว่าขาดมุติตาบ้างนะบางที่เขาถึงถึงเชื่อ ให้ให้ชื่อว่าการเจริญเมตตาเนี่ยก็คือชื่อเดียวกับการเจริญสติปัฏฐานในบทก ร, รณีเมตตาสูตรเพราะนั้นให้เราเจริญสติปัฏฐานอย่างนี้เรื่อยๆให้มีสติพิจารณาให้มีพัฒนาพัฒนาเมตตาและสติปัฏฐานไปด้วยกันเขาถึงว่าเป็นธรรมไปที่อยู่ของผู้ใหญ่นะพ่อาจารย์ไม่ใช่ผมวิหารสี น, รนะครับผมวิหารสีเป็นธรรมของผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่คนไหนพ่อแม่คนไหนปู่ย่าตายายคนไหนที่ไม่มีตัวนี้หรือตัวใดตัวหนึ่งขาดเนี่ย ถรือว่าเป็นผู้ที่นอนไม่หลับนะทําไมเห็นว่าคนแก่คนเฒ่าอนอนเวลาจะตายตาไม่หลับหรืออะไรพวกนี้เพราะอะไรเพราะมีอยู่แต่ว่ามันขาดตัวใดตัวหนึ่งเช่นมีเมตตาต่อลูกต่อหลานใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมให้เขาร่ําเรียนกรุณาจากนั้นพอได้ดีได้ดีก็ส่วนมากพ่อแม่ก็พอยินดีแต่ว่ามีตัวหนึ่งบางครั้งถ้าเขาไม่กลับมาเยี่ยมมาเยี่ยมไม่โทรมาหรืออะไรต่างไม่สงฆ์ข้อเราตามควรแล้วเนี่ยเกิดน้อยเนื้อต่ําใจเกิด ออืด อ, อาจเกิดรู้สึกว่าบนเพื่อลูกของคนนั้นเป็นง้นลูกของฉันทําไมนี่เป็นอย่างนี้อะไรต่างพวกนี้นั่นมีความรู้สึกขาดเคืองและเป็นปฏิกับเป็นความสจิตเกิดขึ้อนอันนีคือเมตตาแหละเขาเรียกว่าผู้ใหญ่คนณธรรมไม่ครบครับทีนี้ตัวสุดท้ายคืออุบเบกขาเนี่วางเฉยไม่เป็นนีครับคือคนส่วนมากอ่ากรุณาแล้วเนี่ยทุกเพราะอมีเมตตาทุกเพราะเมตตาเขาหมีคือตัวสุดท้ายมันขาดคืออุเบกขาอย่างเช่นหลายคน อย่างเช่นเราเห็นคนขอทานสมมติว่าจยัญจยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียหรือประเทศอา่าไม่อินเดียผมไม่ไปผมผมไม่เคยไปนะไม่ยกตัวอย่างไปขเขมรเนี่ยบ่อยนะแถวปอยเปียดนี่ยนะเคยไปว่างเนี่เพราะบ้านผมใกล้ขเขมรนะเนี่ยข้ามไปเนี่ยเวลาเราเดินไปเนี่ยมันจะเดินดูเราในพยัญญ์มันโดยเฉพาะพ้าเนี่ยมันยิ่งคิดว่ามีเมตตาเยอะ หารู้ไม่เมตตาเยอะแต่ก็จริงแต่บ้านไม่มีตังค์ <c oughs> <c oughs> มันมาเกาะมาโอ้มาหาเรานะเขาก็พยายามไล่มาแล้วก็มากลางล่มให้อะไรต่างพวกนี้นะถ้าไปแล้วเนี่ยใครร้อยไม่ต้องห่วงแล้วไปที่เสมนเขาล่มมากลางให้นะแต่สู่ทางมาให้ก็เกรงใจมันนะก็ต้องให้ให้คนหนึ่งท่านนี้มาเป็นสิบเป็นร้อยแล้วมาวิ่งมาฉะนั้นความเมตตาคนเดี๋ยวเจอจุดให้ในบางครั้งทําให้เราเดือดร้อนก็มี พูดถึงเรื่องออลักษณะยอย่างนี้มันมันไม่ใช่มันมี อ, องค์ธรรมที่เกิดขึ้นหลายๆขั้นตอนไอ้ตัวเมตตาเนี่ยคือสภาวะจิตที่เกิด<อ>ขกับจิตเท่านั้นแต่ถ้ า, าว่าเมื่อมีการแอคชั่นขึ้นมาเรามีการทําทานขึ้นมาด้วยการทําทานต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเราขาดปัญญาขึ้นมาป้าความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นมันก็เกิดจากจิตก่อนนะวิญญา์คือเมตาเมตาก่อนเหมือนกันเมตตาเป็นตัวจุดชนวนทุกทุกทกุศลจิตนั่นเอะ <laughs> ทุกส่วนและจิที่อาจารย์อ่านขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากเรามีเมตตาแต่ก็ให้เ<น>พราะบางทีเราขาดปัญญาจะไม่ไปขาดความรอบครอบขาดความรอบครอบแล้วโดยเฉพาะย่างยิ่งพวกคนผ่านเนี่ยพยายามหาคนใจอ่อนนะครับเพราะนั้นการการมีเมตตาไม่เหมาะที่กับคนผ่านไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ผลกับคนผ่านเพราะคนผ่านจะเอาตรงนี้เป็นเป็นตัวอะไรอ่ะเข้ามาเข้ามาการเรีกะเหลี่ยเข้ามาเมื่อเราเกิดใจอ่อนปั๊บ กิมีแอคชั่นคือมีทำทานขึ้นมาแล้วขัดปัญญาขึ้นมาปั๊บเราหมดเลยเหมือนอย่างเราไปที่ที่อินเดียหรือไปอย่างที่พ่อจันว่าเนี่ยพอไปเจอขอทานปับคือเราไม่ได้เราเราไม่ได้ใช้ความเฉลียวฉลาดนิดหรือความอรอบคอบในการดูว่าสถานภาพพวกนี้เป็นไงถ้าเราให้หนึ่งคนปับ๊บแล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้ความอิจฉามันเกิดขึ้นในจิตของคนอื่นเราก็ไปอยู่ในท่ามกลางสัตว์นรกเลยเหยียบเรากระทึบเราเพราะเราไม่ให้เขา นะอะดันั้นต้องต้องต้องระวังว่าเราอยู่ในสถานะภาพแบบไหนต้องประกอบด้วยปัญญาด้วย <c oughs> ในการจะใช้เมตตาฉะนั้นเมตตาเป็นสิ่งที่ดีก็ก็ใช้ให้เป็น <c oughs> แต่ว่าอย่างที่กล่าวเบื้องต้นว่า <c oughs> เมตตาทำก็ค้ำจุนโลกเราไว้ได้นะถ้าไม่มีเมตตาก็วัฏฏ า, าศาสนาเราคงจะไม่อยู่ถึงขนาดนี้ <c oughs> ใช่ไหมบางครั้งเราก็ หนึ่งสงสารพระอย่างเงี้ยไปวัดก่อนอเงี้ยเห็นนะไม่รู้ท่านจะชั้นอะไรพระอาจารย์พ่อพอจะจะให้ให้อแนวได้ไหมครับว่าอันนี้สองของการเจริญเมตตาสิบประการนี้มีอะไรบ้างครับท่านนิมนติผมยับไมนรู้อาจารย์เนี่ยครับดีใจหมดเลยนะพระอาจารย์สิบเอ็ดประการที่ที่พระพุทธเจ้าว่าก็เริ่มจากโยมเปิดไปหน้ายี่สามนะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ขออภัยเอาเปิดหน้าจิบสาไม่เชื่อธรรมาลองอาาง่านดังๆซิไม่เชื่อธรรมาเริ่มที่หนึ่งสุขขังสุขปฏินะอ่าโยมวันทายเจรียงอนั่นแหละเอาข้อที่หนึ่งว่าไงโยมหลับก็ไม่เดี๋สวอ่านดูข้างบนเอาข้างล่างเลยนอนหลับก็เป็นสุขเห็นไหมอ่าข้อหนึ่งหลับก็เป็นสุขสองตื่นก็เป็นสุข ถ้าทลับไม่ป็นสุกตื่นไม่ป็นสุก ไ, ไม่มีเมตตาดัางนั้นเน่ยเอาสามไม่ฝันร้ายนอนก็ไม่ฝันร้ายนะสี่หน้าเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนมนุษย์ในที่ทําการทํางานในบ้านในครอบครัวงเราห้าหน้าอะไรละอาหมูดอ่ะเฮ้ยอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์อาหมูดทั้งหมดตั้งแต่ตุ๊กแกจิ้งจกไปนะหมูหมากาไก่แมวอะไรต่างพวกนี้ ทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาทั้งที่เป็นสัมภเวสีและที่เป็นสัตว์เดรัจฉานอามูรุททั้งหมด <c oughs> เออข้าผัดเขาเดี๋ยวไมลูกลูกยมเข้าผัดนี่ไม่ใช่คนนะหมา <c oughs> เออเดี๋ยวก็ถ้าเดินมาก็ตอ ก, กตอกต้องมาแน่นะก็เป็นอาหมูรุททั้งหมดอนะเป็นที่รักของเขาถ้าเรามีเมตตาต่อเขาเนี่ยนะแข้อข้ออะไรข้อหกเลยแข้อหกอะไรต่อ <c oughs> เทวดาเทวดารักันติคือเทวดาก็ปกปักรักษาคนที่มีเมตตาเจริญเมตตาอันที่เจ็ดอ่าสตราวุธไฟยาพิษก็ไม่กำกลายอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องลองดูก่อนคนณคนดีตรงน้ำมาเลยตกไฟไม่เหลือเลยนะอล้ก็แปด จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วล้อนี้จริง ข, อ 5, ขอ้ขอห้าข้อเก้าีหน้าผ่องใสข้อต่อไปไเวลาตายไม่หลงสติแล้วสุดท้ายมเมื่อไม่สามารถบรรลุธรรมในภพนี้ได้ไก็ย่อมก็ถึงพร ม, มโลกสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยนะ่เห็นไหมอันนี้คืออา น, นิสงส์การจเจริญเมตตาทั้งสิบเ็ดข้อ นะถ้าเราผิดเพียนจากนี้เพลว่เมตตาเราไม่ตรงประเด็นนะผมคาหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเรามีเมตตาตัวหนึ่งนะพจน์ครับท่านบอกว่าเราจะสวดเราจะท่องเมตตาอะไรก็แล้วแต่ท่องไปจนตายก็แล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะกราบมดได้เมตตาเราไม่เกิดได้นั้นตอนแรกผมไม่เข้าใจนะตัวนี้กราบมดกราบมดนั่นแหละ ขอขอพายยกตัวอย่างตัวเองนิดหนึ่งนะวันนั้นขอพายถ้าใช้ตอนนั้นอยู่เกาะช้างนะไปเดินตรงกลมอยู่เกาะช้างเดินไปเดินมาจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิเดินไปเดินม า, า, นมนมา ท, นนมาทีนี้มันก็เหยียบมดใช่ไหมเราก็เหยียบเราก็ไม่ดูล่นะเดินเหยียบมดเห็นหมดตายเกิดสลดใจโอ้โมันมันไม่เป็นสมาธิที่เกิดสลดใจโอ้เราเหยียบมดตายนะมันเกิดละ สงสารมันเกิดละอัตานทีเลยด้วยอะไระมันผุดขึ้นมานะเอยังไงก็แล้วแต่นะขออภัยขอากราบมันสักครั้งเถอะก้มลงกราบทางจงก้มตัวเองเนะนะนึกถึงมดทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวเองเคยเหยียบเคยฆ่าก้มกราบลงไปพอกราบมดโล่งเลยนะทุกอย่างมันโล่งมันโปร่งได้อารมณ์มเบาสบายเลยโอ้มันคือเราข อ, อาขออโหสิเขาขออภัยเขานะอันนี้อาจจะเป็นเมตตาหรือเป็นแรงบันดาล รู้สึกมีความสุขร่วงโปร่งเดินตัวเบาเลยรแบบนั้นอ่ะเป็นจิตเป็นไอขตาเลยนี่ไม่แต่ใสเดือนเช่นเดียวกันก็รู้กลมโงกาดทางเดินจมกลมตัวเองนั่นนะจากนั้นมาเวลาเหยียบอะไรอะไรต่างก็อ่ะเราเราก็ขอโหสิครับขอโหสิขออาโหสิเขาได้เพราจริงๆแล้วไอ่ไอ่มันมันเป็นผลจากกุศลแลจิตที่มันเกิดขึ้นเกิดจากความสลดแต่จริงๆแล้วอ่าไม่ตามมันจะเกิด ตอนที่เรามีสติปัฏฐานเมื่อเห็นสัตว์เห็นบุคคลเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวัตถุที่ทําให้เกิดเมตตาเมตตาจะเกิดหรือไม่เกิดต้องให้สังเกตตอนนี้นะฮะเวลาเราอยู่ที่บ้านทุกวันเนี่ยเราเห็นหมดเรามีความลาคานไหมถ้าเรามีเมตตาเราไม่ลาคาญเราเห็นหมดเราไม่อยากจะทําร้ายมดเราให้อภัยซื้อให้ชีวิตเขาได้สัตว์บางบางชนิดเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยแค่รูปร่างเป็นสัตว์ชนิดนี้มีโทษแล้ว พอคนเห็นปั๊บเขจะประหารในยกตัวอย่างเช่นคนเห็นงูขึ้นมาทำยังไงแค่เห็นว่าเขาเป็นตัวงูปั๊บเนี่ยเขามีโทษจะต้องถูกฆ่าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นงูปั๊บจิตใจเราอับอยให้แก่เขาให้ชีวิตเขาได้เราไม่คิดฆ่าเขาเราปล่อยเขาไปเขาสามารถที่จะสัมผัสจิตตรงนี้ได้แต่ใ น, นขณะที่เราเหยียบไปแล้วนะเมตตามันไม่มีอาจารย์แต่เมื่ออาจารย์เห็นแล้วเราลึกราลึกรู้ว่าเราได้กระทำผิดไปแล้วแล้วขออโหสิกรรมได้อันนี้เป็นกุศลอันใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเมตตาไม่เกี่ยวเมตตาไม่เกี่ จากนั้นมาครับจากนั้นมาเวลาตัวเองเดินเนี่ยมองทางมากขึ้นนะปา้าเขาบว่ามันจะวิ่งระหว่างทางเท้าเราพอดีเลยนาะป้าปั๊บเลยแล้วเขเหยียบมันพอเราเดินระวังขึ้นเมื่อมีสติแล้วระวังขึ้น<อ>ไม่ทําร้ายเขาเนี่ยเมตตาเกิดขึ้นเพราะนั้นเมตตาจึงเกิดพร้อมกับสติปัฏฐานเมื่อไรก็ตามที่ไม่มีสติเมตตาไม่เกิดแล้ ว, แ ล, วแล้วขออภัยเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้วันปูอิบสนามหญ้าเนะผมนึกถึงนิทานพระอาจารย์เพเดศนะนั่งนั่งอยู่นนั้นพะอาจารย์เพเดศนะ ท่านบอกว่ามีพระรูปหนึ่งว่าอย่างนั้นรักษาศีลเคร่มากรักษาศีลมดไม่แตะไรไม่แตะไม่กล้าฆ่าสัตว์เลยแมย้แต่นิดเดียวอยัอจนหลังจากที่บรรลุพระอรหันต์าาแล้วเนี่ยตาเขาพอพ อ, พอบรรลุพระอรหันต์าาแล้วมั น, นั่งตกเบ็ดเชยเลยอันนี้ก็เป็นนิทานหรือเป็นอะไรเป็นปริศนาอะไรไม่แน่ใจก็เพื่ปล่อยวางนะตอนแรกมันยังยึดว่ า, าชีวิตสัตว์อะไรต่างๆอยู่หรือเปล่า เต้องไม่ค้าต้องเ ข, า, ขเาก็คือเราเราเขาอะไรต่างๆพอบรรลุ ป, ประหารแล้วมันนั่งตกเบีดยดเฉยๆอย่างนั้นเป็นพระราหันจริงหรือเปล่าครับยังค้าสั่งเยอะหรือว่าอาจจะพูดใด้ฟังเพื่อที่จะแฝงอะไรไว้ในเนื้อหาด้นนี้นนอาจารย์ลองลองลองมาเจาะ อ, อีกนิดหนึ่งนะครับว่าจะเห็นว่า เมื่อเรามีเมตตาเกิดขึ้นแล้วเป็นกุศ ล, ลจิตที่เกิดในขณะที่เรามีสติปัฏฐานแล้วเนี่ยหรือจิตเราตื่นแล้วเราสามารถที่จะแยกแยะสภาวะจิตของเราว่าขณะนี้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่าจิตเรายังไม่เป็นเมตตาหรือสติเรายังไม่ดีปั๊บเมตตามันไม่เกิดกุศลก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงมีเมตตาแล้วอ น, นิสงส์ที่เกิดอันแรกคือนอนหลับเป็นสุขเรามาวิเคราะห์ตรงนี้อีกนิดหนึ่งเพราะว่า ใจเราไม่เบียดเบียนใครใจแล้วไม่คิดพยาบาทใครใจเราไม่คิดที่จะเป็นศัตรูกับใครใจเราไม่เป็นกังวลเพราะไม่มีอากัสรอยู่ในจิตเพราะนั้นเมื่อจิตเราโล่งว่างเบาสบายใจพร้อมที่จะให้อภัยกับคนใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลคนเราก็จะมีความสุขกับการที่เราได้สร้างคนความดีมีแต่กุศลล้วนๆเกิดขึ้นในจิตเราตรงนี้นี่คือสาเหตุที่ทําให้เรานอ น, น, อนหลับเป็นสุขนอนหลับก็เป็นสุขแต่ว่า <c oughs> ถ้านอนไม่หลับได้ขอภัยว่าอาจารย์มีโยมคนหนึ่งมาวันก่อนะมาเพนโอ้ยพ่อจัน นอนมาหลับไปเป็นสิบปีแล้วงนั้นหมายความว่าไงเพราะฉะคือแกนอนไม่หลับเลยอ่ะคือจะหลับเพราะอีกทีหนึ่งก็ตีสี่อย่างเงี้ยครับกลางคืนไม่ยอมนอนให้มาเป็นสิบปีแล้วงั้นหมายถึงอันนี้มีเมตตาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะนิสัยหรือยังไงก็ลองนอนนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นเพราะว่า นอนผิดเวลาหรื อ, อเปล่าพ่อเขาชอบนอนหลับตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงเที่ยงเพราะนั้นมันหลับอิ่มแล้วตอนกลางคืนก็เลยไม่อยากหลับคําว่าหลับตรงนี้หลับตอนไหนถ้าหลับตอนมีฤทศตีสีถ่ถึงเที่ยงแล้วนอนหลับเป็นสุขไหมตอนเนี้หลแล้วไม่ฝันเลยไม่ถือว่าหลับเป็นสุขแล้วนอนผิดเวลาเฉยครับนอนผิดเวลาโอเคครับหลับเป็นสุขตื่นก็ตื่นก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็ไม่กังวลไม่เป็นทุกข์ไม่มีศัตรูไม่มีใครมาเบียดเบียนเพราะเราไม่เคยคิดร้ายกับใครก็เลยไม่มีใครจะมาคิดร้ายต่อเราคือสาเหตุที่ทําให้เราตื่นเป็นสุข ก็หลังจากนอนแล้วก็เวลาฝันก็ฝันแต่เรื่องดีๆหรือเปล่าพาจนหรือว่าจิตเราไม่จิตเราไม่มีเรื่องรามโมกนะเพเะนนอนนอนฝันเราก็ไม่ได้คิดรามอกอะไรกับใครเพเจนเราหลั บ, บเพราะว่าสบายเพราะมีความฝันคําว่าฝันนั้นมันมีความเกี่ยวข้องอยู่4อย่างนะเพเจนเขาบอกหนึ่งจิตอาวรณ์สองลางสงหอนสามธาตุกาเริบเทียบนิมิตจิตอาวรณ์ลางสงหอนธาตุกาเริบแต่มันมันจะเกี่ยวกับเมตตาเพราะหนึ่งเทพบนิมิตมันแปลว่าอ ข้างหน้าเราจะบางคนจะถูกหวยอย่างเงี้ยเพราะว่าปรากว่านอนขยําขี้เลยทั้งคืนเลยตรงนี้อาจารย์อขออภยัยใช้คานี้น ะ, ะแล้วจริงถ้าใครที่ได้จับสิ่งปฏิกูลได้พกสิ่งปฏิกูลคนนั้นบอกว่าจะจะได้ลาบนะเออนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าจิตมันยังมันอยากได้ไงอยากได้เงินอยากได้ทองแล้วจิตมันก็อาวรณ์อยู่ตร น, นี้ถ้าคนทําสติปัญญาดีคนที่มีสติทั่วพร้อมคนที่ตื่นแล้วเนี่ยนอนหลับก็หลับเป็นสุขไม่ค่อยฝันอะไรอืมไม่ค่อยฝันครับ คอนโทรฝันได้ด้วยหรือเปล่าพะี่จันคือมันไม่มีจิตที่จะไปกังวลถึงอะไรมันเลยไม่ฝันถึงอะไรนอกจากมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นเทพสังหรณ์มาบอกอย่างนี้หรือสติของตัวเองมันบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นข้างหน้าในอนาคตอันนี้จิตมันจะคอยเตือนสังหรณ์ลางสังหรณ์เป็นว่าญาติจะป่วยตายอะไรต่างพวกนี้ยครับพี่น้องจะมีอะไรเป็นไปมันจะฝันก่อนนะเนี่ยถ้าจะฝันก็จะเป็นของจริงจะไม่ฝันเรื่องเรื่องไร้สาระฝันเป็นเรื่องของจริงครับ บางทีธาตุกาเริบเก็บใค้ได้ป่วยตัวร้อนก็ฝันว่าอะไรต่างๆแบบนี้เหมเพื่อนเวลาป่วยบางทีก็มีนะเก็บทองเนี้ยฝันว่ามีคนมาเหยียบท้องทั้งคืนอะไรทัานก็มีนะที่จริงที่ไหนได้นปวดกําเริบปวดประสาะทั้งคืนไม่ยอมลุกเงี้ยนะถ่ายกาเริบแล้วก็อืไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของ เป็นที่รักของมนุษย์นษยคนเราทําดีกับคนอื่นมาตลอดใครๆก็รักนะครับเหมือนอย่างคนแม่ที่เ่าให้ฟังเมื่อกี้นี้แค่เลี้ยงแมวแมวยางรักเลยเ อ, อตอนที่อาจารย์อยู่วัดอัมพรวาณอาจารย์เลี้ยงหมาแค่เจ็สิบตัวหมาพวกนี้รักอาจารย์มากเวลาอาจารย์เดินจงกรมหมาจะมานั่งล้อมรอบอาจารย์ค อ, อ, อ, อยเข้าๆเข้ า, ขาเป็นอะไร guard, อะบริการเขาจะทาวงกลมให้อาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิอยู่ออในป่านะั่นแหละแล้วค<ม>ิดดูหมาเจ็ดสิบตัวมันไม่ปล่อยอาจารย์ด้วยที่ที่วัดนี่เดือนหนึ่งก็จะมีการนั่ง นั่งอันดับพระบทเดือนละยี่สิองค์อาจารย์จะมีรายได้เดือนประมาณ 1,000 งันบาทอาจารย์ไปซื้อปลากระป๋องมาไว้เลี้ยงหมามีหน้าไปถึงรักเลยอาจารย์ไม่มีตังค์เพราะว่าใช้ข้ามให้มันมันจะรักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับมันหรือเปล่านี่คือคือคืออานิสงส์ที่เพิเกิดไม่ว่าเราทําดีกับใครไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เราก็จะได้รับความรักตอบได้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดเส้นี้เห็นชัดเจนก็คือตอนที่พระเจ้าเบรกช้างนะอาจารย์ใช่ไหม ช้างนาลาย k i l l i ที่วิ่งมาเลยครับพระองค์ก็ส่งเจริญเมตตานี่ไงพระ อ, องค์ใช้เมตตาครับใช้เมตต า, ตาวิ่งมาหลังจากที่ช้างไม่ใช่ช้างธรรมดานะช้างกินยาบ้าต่างหากนะ <c oughs> มันกินเหล้าเมาม อ, มอถูกถูกมอมยา <c oughs> เพื่อที่จะให้มาเหยียบพระเจ้าจมธรรณนีเลยเนี่ยนะวิ่งมาหลังจากมาถึงแล้วพระอานนท์จะเข้าไปขวางใช่ไหมอาจารย์พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องพระอานนท์ถอยไปเถอะ บารมีไม่พอนะครับพระเจ้าก็จัดการวิ่งเข้ามาพระเจ้าก็จะเลเมตตาใส่แผ่เมตตาอยางได้แค่นั้นเลยนะก็แปลว่ามันหายสางเมาเลยแล้วก็กลม กาบสิโลลาบที่ก็เขมีเหมือนกันนะมีพระธุดงที่เอาอย่างนี้นะเพราะว่าเห็นช้างน า, าลาคิริงมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่จะปราบช้างนาลาคิริงได้ปรากฏว่ามีพระฝาหลังคนหนึ่งไปอยู่สีลังกาพอเห็นช้างมาปั๊บไม่ยอมหลบเลยโดนเอย่าเป็นสะโพกหักอยู่กลางป่าที่จริงมันมีอยู่ที่เขาใหญ่นะพี่อาจารย์เป็นข่าวดังมากได้ยิน <c oughs> เคยได้ยินไปรวมตูวเคยยินไหมเออเคยได้ยินที่ไปกับลูกศิษย์เห็นไหมไปกับลูกศิษย์ก็ช้างป่ามันโผล่มาก็เจริญเมตตาคือ ก็ไม่อันนี้คือใจรีเมตตาแสบมันก็เสียจิตแรงด้วยนะครับก็อํามือไปแตะมันก็ดุเป็นกันนะมันก็เดินเข้ามาลูกศิษย์เกเรนว่าอยากได้ภาพเด็ดจับกล่องขึ้นมากดพอแฟดมันเข้าตามันแพ๊ตุงกี้เนี่ยพ่อจันมันตกใจมันก็ลือลืมสติลืมกําหนดเลยช้างอ่ะมันก็เหยียบเอาเหยียบแล้วก็มาสํานึกได้นะมันฝังให้อย่างดีนะนะมันอไล่ลูกศิษย์วิ่งขึ้นต้นไม้แล้วนะแล้วก็อ พระก็ถูกชังแทงตายแล้วมันก็สนึกมันก็ขุดลุ่มไร่ยังตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเรามีเมตตาเราต้องใช้ปัญญาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอกระแสอะไรที่มันบ้าลาหำแล้วยังก็คิดว่าข่ามีเมตตาเยอะเอนะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเข้าไปในกระแสตรงไหนเขากำลังยิงการตุ้มตําตุ้มต่ำวิ่งหนีไปก่อนอย่าไปอยู่นี่นะอย่างนี้เราไม่ขอท่าแต่ว่าถ้าแต่ก่อนเดินป่านะพี่จันก็ฟัง บอกว่าเวลาไปเจอสัตว์ร้ายเนี่ยท่านก็ไม่หลบนะครับท่านก็บอกอธิษฐานจิตคือท่านก็เอาไงก็จะตายอยู่แล้วนะท่านก็อธิษฐานว่าอถ้าเราเคยเป็นศัตรูกันแต่ชาติตางก่อนหรือเราเคยไปทําอะไรให้ท่านเดือดร้อนเนี่ยขอให้มาเอาชีวิตเราได้เวลาไปเจอเสือกลางป่าเนี่ยนะแล้วก็ท่าบอกว่าถ้าไม่ใช่ศัตรูกันหรือไม่เคยเบียดเบียนกันอย่าสร้างเวียดสร้างกรรมต่อกันเลยท่านายืนในฐานจิตกำหนดรู้แนละ้วมันก็ยืนท่านก็เดินผ่านไป ปราว่าท่านบอกว่ามันไม่ทำอะไรเะงั้นเห็นเราเหมือนกับเพื่อนมันตัวหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย์อันนี้ท่านจะโมหรือเปล่าววองค์มันมันก็จริงแต่ ในในลักษณะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่คือเราไม่ได้ไปขวางเขาแต่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเดินสวนกันโดยที่จิตเราไม่ไม่มีความกลัวเลยจิต <Okay. S 2> ที่เราเป็นกุศลยกตัวอย่างเราเดินผ่านหมาเนี่แหละสังเกตได้ชัดเลยถ้าเรามีความกลัวหมาขึ้นมาปั๊บหมามันจะไล่แต <laughs> ่วิ่งเหมือนอย่างพึ่งเหมือนกันถ้าถ้า ถ, ถ้าหากเราเห็นพึ่งปั๊บเราวิ่งหนีปั๊พบ พ, พ, พึ่งพึ่งยิ่งไล่เพราะนั้นเวลาเวลาเจอสัตว์เหล่านี้โดยที่เราไม่ได้ไปขวางมันหรือเราเข้าไปโดยบังเอิญไม่ได้ไปอวดเก่งอวดอะไรนะ แต่ถ้าผ่านไปดงเอิบบังเอิญให้ทําจิตให้นิ่งที่สุดมีสติให้มากที่สุดอย่าไปโชว์ความโกรธอย่าไปโชว์ความอาฆาตอย่าไปโชว์ความกลัวอย่าไปโชว์ให้มีอกัติสมเกิดขึ้นที่จิตถ้าโชว์ขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บมันจับได้ทันทีเลยพวกนี้กระแสจิตมันถึงกันมัน<ช>รับกระแสขรัเราเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่ที่ในในบวรนาสซิสไทรตี้ที่ผมเคยไปอยู่สองปีเป็นเป็นป่าเป็นป่าจริงๆเลย ในในนั้นก็จะมีงูเยอะแล้วงูพวกนั้นก็จะรู้จักพระพระที่นั่นก็จเจริญเมตตาอย่างที่อาจารย์ไล่ฟังเนี่ย uh huh. ก่อนกินข้าวเจริญเมตตาเป็นภาษาอังกฤษท่ก่อนก่อนกินเพราะนั huh. ้นเราเราเดินไปปั๊บเนี่ยงูเขาเห็นพระนะเขาจะหยุดให้พระเดินไปก่อนแล้วที่ ท, ที่น่ากลัวที่สุดเลยนะไอไอใต้ถุนหอพักที่ผู้ชายอยู่น่ะข้างล่างมันเป็นโพรงดินงูเขาอยู่ข้างล่างบางวันคืนดีวันดีคืนดี เรากําลังเดินลงจากบันไดงูเขาเดินสวนขึ้นไปงูเขาเลยขึ้นบันไดนะสวนกันแต่เขาไม่ทําอะไรกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนจิตนิ่งมากนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเจ้าที่เก่าหรือเปล่าอาจารย์เป็นเจ้าที่เก่าเพราะว่าอย่างเช่นคือบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนเราไปสร้างบ้านข่มไงดูเลิกกิงผ่านจอเมาื่อคืนขออภัยนะครับดูทีวีนะไปดูในยูทูบเองจกิงผ่านจอเมื่อคืนเนี่ยไอ้งู เขาลยวมันตายไอ้ท้พวกไอ้พวกสอบไอ้รุ่นไปรุ่นสามคนนี่ไปเล่นมันไปเขีย่ยเล่นแล้วก็เอาอะไรไปจิ้มมันเล่นงูจงอางูเห่านะมันตายหลังจากนั้นมาไอ้คนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนิดหนึ่งแล้วก็อยู่ในที่ใกล้ๆกันนะนะแล้วปรากฏว่าถูกมันเข้ามันบอกมึงทาอะไรกูหรืว่าต้องเอาศพมันไ ป, ไปไที่เดิมเนี่ยมันบอกท่านเป็นงานเราคุณรู้จักหมดทุกคนแล้วใครมีใครบ้างอยู่ตรงนี้ กูจะฆ่าให้หมดเลยอย่างเงี้ยมันก็บอกมันก็บอกชื่อด้วยจ้าแม่ดอกจันอะไรนีย่ยนะไหยจากนั้นก็เอาไปเอาสพไปไว้ที่เดิมเอาซากไว้ที่เดิมทำนนํำอย่างงี้เอามีคนอีกเพื่อนนะ่ที่ไปทำํำเอาไว้ที่เดิมที่กางทุ่งนานะห้ามไปทําอะไรศพมันจากนั้นมันก็ออกล้มเลยเนี่ยอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะยันผีงูเขผีงูเข้า <laughs> เอาละครับเราก็ผมคิดว่าเราเราใช้เวลามาประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วนะครั บ, รบแล้วก็ได้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรณีเมตตาสูตรทั้งหมดแล้วลเรื่องเมตตาเป็นยังไงอันนี้สอของการเจริญเมตตาและทํายังไงให้จิตมีเมตตาแล้วก็ให้ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ข อ, อนุมทนพาพระอาจารย์ช่วยสรุปเลยนะครับครับผมเบื้องต้นก่อนอื่นก็ขอกขอบคุณพระอาจารย์นะที่ช่วยด้วยกันในการชีแช้แจงแคลงไขให้จุติโยมและเกิดสติปัญญาในส่วนที่ยัง สงสัยอยู่เฉะนั้นเมตตาคนนี้เมตตาสูตรนี <voix Muslims iology> ้ก็ค <f lex> ือเป็นเรื่องที่ทําให้เราทั้งหลายมีเมตตาต่อกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีเมตตาต่อกันแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะใครจะมาอยู่กับเราก็ตามเราอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีเมตตาองค์ธรรมองค์อื่นก็ความกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ไม่มีแล้วก็เวลาได้อะไรมาก็เกิดอิจฉาดุจย้าแย่งชิงอะไรกันก็เกิดให้เกิดอาฆาตนะเกิดพออาฆาตก็พยาบาทพยาบาทก็ อ่าปองร้ายกันต่อมาแล้วก็ <c oughs> อ่าเวลาเราขอใครคือเมตตาในส่วนที่เป็นกรณีไม่จะสูนุดก็คือให้เราเป็นผู้ที่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เป็นผู้ที่มีไม่มีอติมานณอ่อนโยนพูดง่ายแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองไปให้ดีสุดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนมีรูปขันสัมภเวสีหรือเทวดาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามีเมตตาแล้วเขาก็เป็นที่รักที่เจริญใจของ เทวดาเขาปกปักรักษาพวกเราในฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปก็ได้อาชี้แจงมาหลายเรื่องหลายราวทั้งในเนื้อหาและก็นอกเนื้อหาที่จะพาะตามสติปัญญาที่จะมาให้ยโยมทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจก็ดังได้แสดงมาก็สมควรเจวลาดังได้